จเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาใครมีคำถามอะไรอยากจะเข้ามาถามก็เชิญเข้ามาได้เราก็เริ่มต้นที่เด็กก่อนเด็กแรกที่สุดก็คือเด็กชาย น้าคุณน้คุณได้ยินไหมครับกลับนมัสการกลับนมัสการครับพระอาจารย์เป็นไงวันนี้เด้ไหมชดไหมบอกความจริงเป็นกาซิมน้าคุณอ้าวมันเป็นยังไงหรอกาซิมน้าคุณนิดหนึ่งภาษาหลักกาซิมน้าคุณนิดหนึ่งก็วันนี้น้คุณควบคุมสติไม่ได้แค่เผื่อควบคุมสติไม่ได้ครับเนี่หัดพูดโทไว้สิ เราคุมไม่สติไม่ได้เราต้องเรียกพุโทโธพุโทโธเข้ามาช่วยได้ไหะแล้วสติมันไปไหนตอนที่อรารวาสนะคะเลยไปเดินเอ็มพูเลียนแล้ววันนี้อรารวาสหนักเลยค่ะพระอาจารย์คงง่วงด้วยค่ะนเออไม่พุโทโธ เ, เนี่ยเวลาอ า, ารวาสต้องเรียกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเข้ามานะได้ไหมครับ ได้ไมั้ยบอกพระอาจารย์ได้ก่อนนอนนั่งพุทโธพุทโธสัก3นาทีก่อนนอนโอเคไห ม, มไหวไหมไหวพัาพูดอีกทีไหวครับลองดูนะท่านจะได้สติเยอะๆเลยโอเคไหมโอเคแล้วมีอะไรจะถามพระอาจารย์อีกไหมครับอืมอืมทำไม ถามิ้าทำไมพระอาจารย์รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างไม่รู้ทุกอย่างถ้ารู้ทุกอย่างก็ต้องรู้เสียว่าน้กคุณทำอะไรมาวันนี้ไม่รู้น้องถามนะถ้าคุณรู้ทุกอย่างเขาบอกเจาจัดก็รล้ทุกอย่างไม่รู้จ้จัดก็ไม่รู้ทุกอย่างรู้ตัวรู้ตัวเราคนเดียวก็พอนกคุณรู้ใจเราคนเดียวก็พอ หัวใจเราละว่าหรือไหมละว่านถ้าละว่ากัหยุดมันเสีใช้พุทโธพุทโธหยุดมันในคำสองที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธได้ไหมได้ไอ่มีอยไจะมไมไม่ตองมีไม่ได้หรืไปนะ วันนี้ไปโรงเรียนนะบา บ, บครับ น, นี่ไปโรงเรียนนะบาไม่ไม่โรงเรียนหยุดแต่ไปโรงเรียนที่อะไรตรงแต่พออาจารจะลุตอาจอรย์จะเป็นโรงเรียนพิเศษครับเปนโรงเรียนพิเศษครับโอเคต้องใจเรียนหนังสือนะครับจะไปหครับค่ะโอเคค่ะอาออกไป อะไรของอะไรกลาในมัสส ก, การค่ะพระอาจารย์ลูกขอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกิเลสครอบตัวใหญ่เลยค่ะพระอาจารย์ที่เว็บอ่าเพจนาถาค่ะเขามีร่วมทาบุญส่งอ่อ่เจ้าหน้าที่มั้งคะไปจาริกบุญที่อินเดียแล้วเขาก็มีให้ร่วมทาบุญประมูลพวกวัตถุมงคลนะคะในนั้นมีล็อกเก็ต ไอ้ไม่ใช่หรอกเกท่าเป็นจี้พระอาจารย์แล้วหนูอยากได้หนูก็ไปนั่งรอเขาประมูลค่ะกดกดเป็นอะไรนะเป็นจี้ลูกพระอาจารย์ค่ะค่ะแล้วหนูอยากได้มากหนูตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเปิดเมื่ อ, อไหร่เหนูไปนั่งเป้าหนูก็นั่งกดราคาตั้งแต่เริ่มต้นจน เน็ตมันช้าค่าอาจารย์สู้สู้เต็มที่แต่ว่าราคาหนูมันไปอยู่หลังคําว่าปิดของเขาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพี่สมาชิกในนี้แหละค่ะสักคนประมูลไปได้ค่ะอ่ารู้ได้เหรอว่าเป็นใครไม่เออเขาเขาจะขึ้นชื่อค่ะพระอาจารย์อ่าข่ะขึ้นชื่อแล้วเขาเขาให้เวลาสองนาทีค่ะหนูก็แบบนั่งกดนั่งกดเต็มที่เลยบอกว่าไปหุด เท่าไหร่คือไม่มีไม่มีวอชชีพไว้เลยค่ะหนูจะเอาให้ได้พอแล้วมันไม่ได้ครั้ ง, ง <Ừ. S 2> ที่ใส่ราคาไปสูงกว่าราคาที่เขาปิดแล้วก็เออไม่ได้ไม่เป็นไรเศร้ามากก็อ ย, าอยา่อยางมันใจเลยเขาวันนี้มันเป็นของปลอมทันะ้งนั้นอะหนูก็แบบไม่ได้ทำแท้ค่ะ ก, ก็คืออย่างมีรูมีผ้าจารย์ไว้เตือนสถานีงานแลกจะต้องเอาให้ได้ก็เลยแบบ อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นกิเลสไม่ใช่คะเป็นความหนงล่ละใช่ไหมคะมพระเจ้าพระเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต <laughs> อุตส่าห์แบบว่าตั้งใจไม่เป็นอาทิตย์เลยนะคะพอเขาประกาศว่ามีลูกพระอาจารย์นัมเบอร์แรกเลยนะคะจีพระอาจารย์สุชาติเนอะหนูต้องได้อันนี้ <laughs> ไม่ได้เสียใจไปทธรรมชำนี้ก็ประฏิบัติธรรมน้ก่อนนะ ค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องเสียเงินสิ้อจดหมาจะได้ของแทนด้วยของเจ็บด้วยอุตสัาห์ตั้งบัดเจ็ตไว้สู้เท่าไหร่ก็สู้หลักไอ้เวลาหมดก่อนสู้ไม่ไหวเน็ตดันช้าอีกมั่นใจว่าได้แน่นอนปรากฏไม่ได้เพราะว่าเน็ตช้ากว่าเขาไปประมาณสามวินาทีค่ะวอย่าไปสู้อย่าไปสู้แบบนี้ค่ะหลงไปแบบแล้วหลังจากนั้นหนูก็ หลงอีกค่ะหลงยาวเลยค่ะเตลิดเลยก็คือไปไหว้พระแวะไปแล้วก็เจอพระพิคเนตค่ะพระจานทร์เห็นแล้วก็โอ้สวยศิละปะสวยแล้วก็เห็นแล้วชอบราคาก็ค่อนข้างสูงก็ยังเอามาเอากลับมาเอากลับมาที่บ้านเสร็จแล้วพอดีมีพระอาจารย์ที่วัดป่าที่ญี่ปุ่นนะคะที่หนูไปพาน้องคุณไปปฏิบัติธรรมเป็นประจำมานะคะท่านทักมาถามถึงนัคุณพอดีหนูก็เลยอะจัดยิ่งพระ พี่คเนสเสร็จก็เลยส่งลูกไปท่านดูท่านก็บอกโอ้ยเอาเข้ามาทําไมทําไมหลงอย่างนี้พาลูกหลงไปด้วยโดนดุดยาวเลยค่ะหนูเลยบอกเอาไปให้พี่คนอื่นแล้วค่ะเช่ามาวันเสาร์วันนี้ส่งไปให้พี่คนที่เขานับถือบูชาต่อแล้วค่ะก็หาพระธรรมดีกว่า ค, คือพระพุทธเจ้านะค่ะอย่างนี้คือไม่ไม่ถูกเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ถูกเลยไ ม, ไมนจําเป็นต้องมี ให้มีพุโทโธอยู่ในใจแค่นี้แหละพอแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในใจตอนนั้นอะไรโดนใจก็ไม่ทราบค่ะพระอาจารย์คือแบบอุย๊ยสวยจังเลยแล้วก็<ต>เขาบอกสติแตสติสตัต้งแต่แตไปปูลไม่ได้หนูสติแตกไปเลย <laughs> จะต้องเหมือนกับจะต้องได้ใช้เงินจนํานวนนี้สักอย่าง <laughs> หนูสติแตกมากแล้วพระอาจารย์ท่านท่านก็บอกว่าลองทํ ท่านทราบไงคะว่าเป็นสิทธ์ของพระอาจารย์สุชาติบอลองถามพระอาจารย์สุชาติดูหนูนก็บอกว่าท่านก็คงบอกว่าขาดปัญญาแน่นอนเลยนะ ม, ม, มาเข้ามาฟังสูมตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยังไปหลงกับวัตถุมงคลอยู่เลยเยอะเลยคะ่ะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยอุตส่าห์พาลูกมาสวดมนต์ไหวพระโอ้ยอย่ามาตรงมาดตายตอนนี้สิถ้าใครเขาแจกมาก็รับไว้ได้ไม่เป็นไร อย่าไปซื้ออย่าไปมันไม่ใช่เป็นขอ ง, องนีประโยชน์อะไรกับจิตใจอ่าท่านถามว่าเนี่ยไปไปไปเช่ามาเพื่ออะไรหนูบอกอ๋อมองแล้วมันเพลินตาเพลินใจสบายใจดีค่ะท่านก็บอกว่าไม่ใช่ละอันนี้เขาเรียกว่าหลบการมาชันทาา่าแล้วเะค่ะเ่็ในรูปเห็ดในรูป แล้ววันนี้หนูที่ตอนนี้หนูให้เขาไปอ่ะค่ะให้ไปฟรีๆเลยหนูก็รู้สึกเสียดายทั้งวันเลยบอโอเ้เสียดายเสียดายนี่คือยึดติดใช่ไหมคะกิเลสยังแรงอยู่ยัยงยไม่ยอมปล่อยอก็จะดีใจว่าเราเก็บของของของปลอมไว้ให้เขาไปได้ดีใจให้ยังจะได้เข้ า, าไปค่ะ อลองกับพระอาจารย์ท่านว่าเอาไปไว้ที่ออฟฟิศที่ทํางานได้ไหมคะ mm. ท่านขอว่ามันก็ยังอยู่รอบตัวเราอยู่ดีตัดออกไปใจต้องเด็ดเดียวหนูก็โอเคค่ะมื่นกว่ า, วาเด็ดเดี่ยวมากเลยค่ะวันเดียวเยอะทาบุญไปแล้วกันค่ะพระอาจารย์จําเลยค่ะ mm. ต่อไปนี้ยึดไม่เคยสอนเลยไม่เคยสอนอะ้ไปใช่ว่าตัุมงคลเลย <S <S ใช่ค่ะไม่เคยสอนเลย กีเลสตัวหนาเลยค่ะเดินขนาดไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีเงินนะคะยังให้เขาแบบอุ้มมาที่รถแล้วมาเอากระเป๋าตังค mm hmm. ์ที่เอาโทรศัพท์ที่รถจ่ายไปหนูพยายามมากเลยแล้วเขาามโลมถาโลมมากโลมมากค่ะโอ้เสียใจมากเลยอยู่ดีๆก็เสียเงินโดยใช้เหตุทําไมมันหลงไปได้ขนาดนี้ตอนนี้จําแล้วค่ะพระอาจารย์ขึ้นใจเลยค่ะ mm hmm. โอเคนะค่ากบ็กบการขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค<ะ>่ะทุก่์จะแม่จ์ดที่รานรมัสการพระอาจารย์ครับไปยังไงครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับอ่าส่งมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มคลความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลับพลักจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของคนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทากรรมใดไว เป็นบุญหลือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องแลรกแลผลของกรรมนั้นๆสิไปเราทั้งหลายคนจะทำอะไอย่างนี้กวันทุกวันเจอวัฏจัรก ร, รนี้เป็นของจริงนะเป็นเขาที่จะทําให้เราดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําของเราทุกทุกอยู่ที่การกระทําของเรานะแล้วน่า น, นกายเราเป็นยังไงบ้าง มีผมขนลเล็ปันหนั ง, นงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกม้ามหัวใจตับถังผื่นไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารให ม, อาหาใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองศีสะน้ำจีน้ำเสลดน้ำเหลือง น้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำแผลข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไผ่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็์น้ำตีเยี่ยนในสมองถี่สั อาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตของผื่นตับหัวใจม้ามเยื่อนกระดูกกระดู ก, ดกเอ น, นเนื้อหนั ง, นงฟันเล็บขนก อ่าฉะนั้นไม่ต้องไปทุกข์กับมันนะครับมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปครับถ้ารักษาได้ก็รักษาไปดูแลได้ก็ดูแลไปครับอ่ถ้ามันจะทําอะไรไม่ได้ก็เฉยๆไปวางเฉยครับโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับโอเค เห็นไปที่ตะวันป้าขอบพระคุณพระอาจารย์ครับน้องตะวันหายไปไหนมาที่หนึ่งตะวันได้ยินไหมสวั ด, ดีว่าเออเออเออเออใช่ครับนสกามพระจันทร์ครับ ม, รรมีคําถามอะไรหรือเปล่าวั น, นีไม่มีคําถามครับเนี่ยแล้วคุณแม่มีอะไรไหมพระอาจารย์คะคือก็อ่าตอนนี้โยมจาม พิจารณาไอ้ตัวสังขาร น, นะคะพระอาจารย์ก็คือว่าจะพยายามตอนนี้คือพยายามเลี้ยงที่สติแล้วก็มาดูสังขารเวลาที่ระหว่างวันอย่างเนี้ยค่ะคือเวลาทําสมาธิไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเวลาที่อย่าง เ, าเดินทําน่นทํานี่อะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์เวลาวันว่างๆอย่างเนี้ยค่ะบางทีไม่มีความคิดเข้ามาก็เลยไปอคอยสติให้มันทนันแล้วก็เหมือนกับละมันออกไปอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็บางทีก็รู้สึกว่า ถ้าเป็นสัญญาเก่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาคือมันจะดับดับได้แต่ถ้าเป็นภาษาที่มากระทบอย่างเช่นว่าเราบอกอย่างเช่นว่าโยมบอกให้เจ้าตอนไปทําอะไรสักอย่างใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วเขาเกิดถอนหายใจขึ้นมาอย่างเนี้ยแบบแสดงความลคาคาญใส่โยมอย่างเนี้ยมันก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่ถ้าเป็นพวกสัญญาเก่าหรือว่าอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในในในใจอย่างเนี้ยอันนั้นมันจะละง่ายคะ่ะพระอาจารย์ uh. สติเรายังมีกําลังน้อยไม่ควรจะไปดูสังขารนะควรสร้างสติขึ้นมาด้วยการดูร่างกายไปก่อนนี่ปเพราะว่าถ้าเราหยุดสังขารไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องหยุดสังขารด้วยการไม่ไม่ปล่อยให้มันคิดหนึ่งให้ใจมาอยู่กับร่างกายแล้วมันก็จะคิดไม่ได้แล้วเราก็จะหยุดสังขารได้ต่อไปแต่เบื้องต้นนี้ต้องสร้างสติ ข, ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยไปคุมไปเฝ้าดูสังขารอีกทีหนึ่งอันนี้เราไม่มีสติดูไม่กล้าหยุดมันไม่ได้หยุดได้บางตัวตัวทิบจ้อยแต่ตัวใหญ่ๆก็หยุดมันไม่ได้ดไดงดั้นอย่าเพิ่งไปทางดูสังขารพระเจ้าบอกให้ดูร่างกายกายกตาสติฝึกสติไปทั้งวันด้วยการดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเฝ้าดู ทุกิริยาบทของร่างกายทุกการกระทํา <c oughs> แล้วสังขารมันก็จะไปคิดเรื่องนั้น น, นี้ไม่ได้เพราะมันจะต้องเข้าใจมันจะบังครั้งให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตรวมก่อนให้เป็นสมาธิขึ้นมาก่อนถ้าจิตรวมแสดงว่าอ่สติมีกําลังที่จะหยุดสังขารได้อย่างเต็มที่นะ แล้วหลังจากออกสมาธิมาแล้วพอมีสมาธิแล้วเนี่ย่าไปคอยดูสังขารต่อก็ได้หลังจากดึงสังขารมาให้มันคิดในทางที่อวนจะดีกว่าอย่าไปอย่าไปดูมันดูมันก็มันก็ยังอยากคิดไปทางกิเลสอยู่ดึงมาให้คิดทางธรรมดูอการสามสิบสองดูนิจจังทุกขังของนัตตาของร่างกาย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก่อนอ ย, อย่าปล่อยให้สังขารมันคิดจะ ต, ตามเรื่องของมัน มันถูกกำเนิดของกิเลสเข้ามามอยู่ตอนนี้มันก็จะคิดไปทางกิเลสทางโลกโกฎของทางอัตตาตัวตนใช่รือเ่าอาจารย์่ะพระอาจารย์โยมว่าโยมอธิบายผิดไปนะคะคืออโยมหมายถึงว่าโยมก็คืออถ้าดูกายก็คือว่าการดูลงหายใจนี่ก็คือเป็นกายคตาสติอย่างหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์ น, นี้คือการดูกายใช่ไหมคะดูลมต้องดูตอนนั่งสมาธินั้น เพราะ่าถ้าดูตอนที่เรามีการเคลื่อนไหวอยู่มันดูยากมันลำบากโยมเวลาโยมเดินอย่างเงี้ยมันชอบอย่างทีเวลาล้างจานหรือมันจะติดดูลมอะค่ะพระอาจารย์บางทีอย่างล้างจานทำกับข้าบางทีก็เราต้องดูล้างจานเสร็จาำธรรมะบ้างบางทีแต่มันจะชอบไปที่หลบสายใจตลอดแล้วมันจะรู้สึกสบายนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวล้างจานไปเดี๋ยวจานแตกเราไม่ดูลมเดี๋ยวจานหลุนจานแตกทําอะไรก็ต้องดูสิ่งที่เราทําอยู่ ดูลมเฉพาะตอนที่เรานั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรแล้วค่อยดูลมอย่างนี้คือจะต้องฝืนมันใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่ามันจะกลับมาที่ลมตลอดว่ามันไม่ถูกมันสบายที่ถูกมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันก็เป็นกิเลสนะมันสบายมันก็เป็นกิเลสนะอย่างบางทีนั่งอย่างเงี้ยก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะทำสมาธิก็นั่งเฉยๆไปบางทีก็ดูลมไปบางทีก็พยายาม ออยากจะไปนึกถึงหน้าคนที่อที่เราไม่ชอบอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์คนที่เราไม่ชอบก็ไมม่มีกติอก็ไปให้ให้สังหารทิดไปเองนะโยมพยายามจะปรุงว่าคือว่าปกติถ้าคิดมองหน้าคนเนี้ยแล้วใจมันจะชอบปรุงไปในทางที่ว่าอไปเพ่งโทษเขาอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์แต่พระหลังนี่มันมันไม่เพ่งโทษพยายามจะไปนึกถึงหน้าเขาแต่ใจมันไม่คิดไปค่ะมันเฉยเฉยแค่ค่ะพระอาจารย์ หรือว่าตอนนั้นใจมันอยู่ที่ที่ลมอยู่มันก็เลยเป็นปกติมันก็เลยไม่แปลกนึกปรุงอย่างนี้หรือเปล่าคะพระอาจารย์ไม่รู้อะคุณลองทำเดี๋ยวท่านคุณดูก็แล้วกันเราตอบไม่ได้คือแต่มันมีความสุขนะคะพระอาจารย์มันมีความสุขมากเหมือนก็พยายามไปคิดถึงคนเนี้ยเมื่อก่อนมันมันก็คิดมันก็จะไปไปไปคิดถึงความไม่ดีของเขาแต่ว่าอ่ามันจะลดน้อยลงครับมันจะมันมันจะมีความสุขมากกว่าถ้าหยุดคิดได้ไม่คิดเถองเขาทม คือพยายามจะจะคิดดูเออถ้าไปอ่ะณนะขณะนั้นเนี่ยมันจะไปปรูงเรื่องที่ไม่ดีของเขาไหมมันก็มันก็ไม่ไปอะคะ่ะพระซ า, ามันก็คล mm hmm. ้ายๆกับว่าใจมันไม่อยากมันไม่อยากจะคิดถึงเขาอะค่ะแล้วแต่ถ้าไม่ทําใจให้หยุดคิดได้ mm hmm. ก็ช่วยไม่ได้ <laughs> คิดไปอ ย, อย่าคิดก็คิดไปแต่ว่าเวลาที่เดินเวลาที่เดินหรือทํากิจวัตรประจําวันอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ อไม่ควรจะดูที่ลมเหรอคะถ้าคือมันติอันนี้มันเป็นกิเลสเหรอครัะอาจารย์ถ้าอยากจะชอบมาอยู่ที่ลมอย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวมันทําอะไรผิดพลาดอะไรทํำงานก็ต้องทำงานที่เราทําอยู่สิคล้ายๆกับมันเป็นเมาติดตาสิ่งเนี้ค่ะดูลมก็ดูแต่ว่าตามันก็มองที่มืออย่างนี้สองอย่างเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวดูอย่างเดียวดูที่งานที่เราทำอย่างงานมันผิดพลาดได้ อยาก<จ>ตอนคุยตามันก็จะมาที่ลมอยู่ตรงก็ <laughs> จะรู้สึกถึงลมถ้าอยากจะดูลม <laughs> ก็นั่งเฉยๆไปดูให้พอเนะนั่งหลับตาปเป็นแล้วก็ดูลมอย่างเดียวเลยถ้ามันอยากจะดูลมก็ให้มันดูลมไปเลยอยมก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นกิเลสแล้วก็อ๋าโยมอาจจะมองไม่เห็นกิเลสตัวนั้นต้องมาขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าโยมทําอะไรผิดพลาดไปอย่างนี้ะค่ะอืเป็นวิธีสร้างสติเจริญสติเจริญไม่ถูก พะุทธจาบอกให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเดินเยืนนั่งนอนทำงานทำการทำอะไรต่างๆให้อยู่เฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลาถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ดูลงหายใจเขา้าคือสังขารไอตัวเนี้ยถ้าสติไม่พอมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็พอหรือเปล่าตัวเนี้ย มันได้หลากวดอยู่หยุดมันอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆค่ะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวสัญญาเก่ามันเป็นแค่ความคิดเข้ามามันหยุดได้แต่ถ้าสมมติว่ามาถ้าเป็นผัสสะที่แบบเกิดในะขนะนั้นอันนั้นจะยากค่ะอาจารย์ถ้ามีสติมันหยุดได้ทุกอย่างถ้ามันมีสติเต็มที่ทําจิตให้รวมเป็นสมาธิได้มันหยุดได้ทุกอย่างหยุดสังขารสัญญาได้ทุกอย่าง เราก็สังให้สังขารสัญญาคิดไปในทางที่เป็นธรรมะอันนี้ไปดูกิเลสมันก็พาไปดูเรื่องกิเลสนะกิเลก็ไปคิดเรื่องกิเลสทั้งหัดนะเคยดูสุภาพิตบ้างเคยดูเมื่อคืนก็ดูจ้ะค่ะพระอาจารย์ดูบ body f ร์มดูเขาพาทัวร์แบบนี้ค่ะอาจารย์เรซื้อมาดูวันทั้งวันดูดูมันได้ทั้งวันไหมเราดูต้องดูมนทั้งวันนะ มันจะชอบติดไปลมหายใจค่ะพเจริญจะชอบกลับมาที่ลมหายใจแล้ว ก, ก็คิดอยู่เรื่อยๆก็เทียบตัวเองนู่นนี่นั่ น, นไปค่ปะพเจารย์กับอัสสุภาค่ะอือเจรย์ก็เคยบอกว่าให้โยมดูไปเรื่อยๆดูให้ตัวเองุซากศสมแบบนี้ค่ะพเจรย์แต่บ า, ตบางทีมันก็ในเบืองต้นเนีอนอย่ยเพิ่งดูครับงบา ง, บา ง, บางต้นให้หยุดหยุดคิดก่อนถ้าหยุดคิดไม่ได้ดูไม่ได้นานดูได้แป๊บเดี๋ยวนะมันก็เดิงไปคิดเรื่องเรื่องกิเลสนะ ที่ยากก็คือพวกผักผัดสะนะคะอาจารย์ที่น่ากระทบเสียงอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์แต่กับคนอื่นก็ไม่ได้แต่ถ้ากับกับนู้ ทำจิตให้รัวไว้ได้ให้นิ่งให้เฉยให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนแล้วสติจะมีกำลังมากเพราะมันหยุดหยุดจิตได้ไงถ้าเข้าสมาธิได้สแสดงมีสติที่หยุดคิดได้อยู่ทุกอย่างนิ่งสงบไปหมดโอเคมีอะไรไหม ยังยังไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมจากศาสตาจารย์ศาสตราจารย์เข า, า, า, าเลือกว่าสุพาร์ดอยู่นะคะโยมทีนี้ว่าตอนแรกเราควรจะพิจารณาของอมองตัวเองให้เป็นซากศพก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยคนอื่นหรือว่าถ้าเต็มไปได้ก็คือทั้งคนอื่นด้วยทั้ของเราด้วยใช่ไก็เหมือนกันนี่ยไม่ใช่เหรอของเรา เ, เราก็เลยมันเหมือนกันหรือเปล่ามันต่างกันตรงไห น, นมีอาการ3วัน2เหมือนกันหมด เพราะว่าโยมฟังก็มีที่ฟังธรรมะย t u b e เนี่ยหลวงพ่อบางท่านก็บอกว่าให้ดูของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นการส่งจิตออกนอกอย่างนี้นค่ะพระอาจารย์ทำให้โยมเกิดความสงสัยขึ้นมานะคะโยมตอนฝึกสติก่อนไงอย่าเพิ่งไปทางปัญญาอย่าเพิ่งไปให้เน้น เ, เข้าข้างในด้วยสติก่อน สติตัวเดียวก็ไปพิริทะนได้ใช่ไหมครัอาจารย์เพราะมันสมาพร้อมกันเลยใช่ไหมครับสติสมาธิปัญญาอพร ะ, ะเจ้าบอกสติเป็นหวนัวหน้าถ้าไม่มีสติสมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้วิมุตติก็เกิดไม่ได้เ้ิ่มาำจาระสติก่อนตั้งสติก็หยุดความคิดหยุดจิตให้นิ่งเป็นสมาธิให้ได้ก่อน ถ้ายืนได้แล้วอันนี้ก็สามารถที่จะสั่งให้จิตคิดไปในทางที่เราต้องการให้มันคิดได้แล้วสติปัฐสี่นะคะอาจารย์อันนี้คือทุกคนจะต้องเริ่มจากของหยาบ ก, ก่อนไหมคะที่ว่าเป็นกายคตาสติก่อนนะคะก็นี่ไงให้เ ร, เริ่มต้นที่สติก่อนไงแล้วสติก่อนแล้วนั่งสมาธิก็ดูลงาหายใจเข้าแล้วพอได้อัปปนาสมาธิแล้วก็ามาพิจารณา ร่างกายมาเป็นของไม่เที่ยงการแก่เจ็บตายมีอาการสามจุดสองเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอันนี้ขั้นปัญญาแตก่อนยังไปถึงขั้นนั้นให้มันได้ขั้นแรกก่อนขั้นสติม่ให้ใจลอยไปลอยมาให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาให้ได้ก่อนเวลานั่งสมาธิาให้มันอยู่กับลมเหาย่างเดียว จนกรจิตจะเจนื่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเราดเส้นทางก็ต้องเดินตามนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์จะจะข้ามขั้นไปฉันไม่เอากายฉันไปดูเวทนาเลยไปดูจิตเลยแบบนี้มันมันก็จะอ่าปฏิบัติสิทิทางไปหรือเปล่าคะพระอาจารย์หรือว่ามันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนะก็เราพูดอย่างนี้ได้ให้เราพูดอะไรกัะ ก็เราบอกแล้วต้องเจริญสติก่อนแนละ้วใครมานั่งสมาธิเมื่ได้สมาธิจิตรวมเป็นสมาธิแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อสอถามอาจลองไปคิดดูกันแล้วกันออโอเคนะมีอะไรไหมก็เดี๋ยวมันก็จะมีคำถามแต่ว่าเดี๋ยวไว้ไปเอาไวข้ขับคร้าหน้าก็ได้จะถาค่ะอาจารย์ โอเคเอ็นไปที่น้องทิมต่อขอบคุณครัอาจารย์น้องทิมขอบคุณแม่ขอบคุณอาจารย์ขอบพระอาจารย์ว่ายังไงน้องทิมมีอะไรมาถามไหมไม่มีอะไรถามครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังนั่งสมาธิตามปกติตลอดนั่งกี่นาทีห้านาทีครึ่งห้านาทีครึ่งเหรอประมเพื่อไกครึ่งนาที เขาเพิ่มของเขาเองค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้นิ่งอะไรหรอกค่ะพระอาจารย์ก็ยังยุกยิกยุกยิบอยู่นั่งแบบไหนนั่งแล้วคิดอะไรใช้อะไรกินพุทโธอยู่ว่าแบบพุทโธแต่ว่ามันคันนะครับคันเนี่นั่งที่ไรคันทุกทีนั่งเล่นเกมไม่คันนะไม่คันเลนั่งเวลาอื่นไม่มีไม่เท้าเกาตาไม่มีคันไม่เป็นอะไรค่ะแต่นั่งสมาธิที่ไรคันตาคันขาคันอะไรตลอดเลยค่ะในสมาธิมันจดจอ่เลย S <S เวลาหล่นาไม่จดจ่อเลยอืมทิมเนี้อืมมันก็ต้องจดจ่อสิออค่ะลูกนั่งสมาธิพูดดีๆนะไม่จดจ่ออืมอ่ะนั่งดีๆทิมนะทิมค่ะอืมพยายามนั่งทุกคืนนะฝม่ไป้รื่นะยครับนั่งแพูดโทรพูดโทรไปถ้าพูดโทรไม่ได้สวหมนไปก็ได้ ส่วนอิติปิโสได้ไหมอาจจะไม่คันนะถ้าสวดบทค่ ะ, ะเรานั่งสมาธิหลับตาแล้วสวดอิติปิโสไปก็ได้แทนที่จะใช้พุทโธได้ค่ะเราจะไม่คันเพราะเราต้องคอยเฝ้าบทสวดสวอยู่ว่าเราต้องสวดอะไรบ้างมันก็เลยเรืมเรื่องการคันไม่ได้ถ้าอยู่กับพุทโธคําเดียวมันอาจจะสั้นไปมันอาจจะทําให้เราไปคิดถึงความคันได้ เราให้มันอยู่กับอินทรปิโสภะกวาอระหังสัมมาสามพุโทโธไปหนึง่งสวดหลายรอบจนกว่าจะได้ห้านาทีแล้วก็อยู่ได้ค่ะโ <Okay. S 2> อเคทีนี้เขาจะตั้งตั้งเขาจะตั้งนาฬิกาปลุกของเขาสองทุ่มเองอะคะ่ะว่าสองทุ่มเขาจะต้องรู้เวลาแล้วเขาจะต้องไปสวมดมนต์นั่งสมาธิอะคะ่ะพระอาจารย์เด็กแรดงว่ามีการรับผิดชอบนะ ก็ความรับผิดชอบก็พอมีบ้างค่ะพระอาจารย์แต่เวลานั่งก็เออีกเรื่องหนึ่งว่าจะนั่งได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ขอ mm. กระทำสว่วนอทีนี้ในส่วนของหนูก็คงต้องมีเรื่องต้องกลับเรียนพระอาจารย์ว่าอพอดีเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว่ค่ะคุณพ่อก็อล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็เลื่อนออกที่สมองแล้วก็อ มีกระดูกที่สะโพกหักแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลยังยังไม่ค่อยรู้สึกตัวตคือพอรู้สึกตัวบ้างแต่ว่าก็ยังยังมันยังทรงทรงอยู่ค่พระอาจารย์ทีนี้หนูก็ต้องกลาบเรียนพระอาจารย์ว่าหนูต้องใช้สติใช้ธรรมะทุกอย่างที่ที่พระอาจารย์ที่เคยพระอาจารย์เคยสอนมาแล้วก็เคยฟังมาเนี่ยคือต้องคือได้เอามาใช้ ตลอดนะคะพระอาจารย์แล้วมันทําให้หนูว่าอายังคงมีสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้ะค่ะพระอาจารย์ก็กับนช่เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องรอดความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มันต้องการใกล้กับทุกคนทั้งเราแล้วก็ทุคนที่เรารู้จักคนั่นต้องคิดอยู่บ่อยๆเรจะได้ไม่ลืมนเวลาเกิดเหการขึ้นเราจะได้ไม่ตกใจพระเจ้าบอกเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องเรื่องแปลกประหลาดอะไรที่ไหนค่ะนะค่ะก็ครั้งที่สองแล้วะค่ะแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่ถึงวิกฤตกับชีวิตอะไรนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีผลกับคุณภาพชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็คือหนูอยู่กับใช้ใช้ใช้พุทโธแบบอาจารย์คือคือว่าจะจะบอกว่าคิดไปทางปัญญาได้มันก็ คือใจมันยังไม่ถึงขั้นคิดไปทางปัญญาได้เต็ม้อยอะค่ะคือต้องใช้วิธีใช้ฝึกสติแล้วก็ใช้อุเบกขาค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ไม่ใช่ท่าบทที่จำแล้วจะตีเขาเท่าอยู่เลยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาม<อ>แล้วเข้ไปไม่ได้ค่ะเข้าใจค่ะพระอาจารย์หนูไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้คิดเรื่องแบบจะฝืน อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า <c oughs> ก็กเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอารมณ์นิดนึงว่าเวลาเห็นเขาคุณพ่ออยู่เป็นแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกแบบสงสารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยหนูก็ก็ยังคงอนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้นะคะ่ะยิง่งยิ่งเจอเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้หนูแบบยิ่งต้องนั่งสมาธิเพราะว่าเหมือนว่าช่วงเวลาที่นั่งสมาธิจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเ อ, อ มันมันอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือเหมือนมันสงบมาค่ะพระอาจารย์มันมันไม่เชิงว่าจะสงบอะไรได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นต้องเวลาที่ดีอค่ะก็จิตมันวุ่นวายก็ฝึกสมาธิไปก่อนไม่ได้ถ้ายังคิดทางปัญญาไม่ได้ก็เอาสมาธิไปก่อนค่ะคือหนูคิดว่าถ้าเกิดใช้คิดทางปัญญาค่ะมันเหมือนต้องคิดด้วยใจอะค่ะพระอาจารย์แบบมันมันต้องใช้มันต้องเป็นมันใจมันต้องเห็นจริงๆอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอันนี้เหมือนแบบ ใจเราอาจจะยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะคะอาจารย์เพริแบบว่าเรารู้ว่าเราต้องคิดยังไงแต่ว่าใจมันยังไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นปัญญาขั้นนั้นนะคะอาจารย์ <centralized> ใจมันมยงน <S <S <ป>ังไม่ยอมรับอะค่ะใช่ค่ะอย่างตอนหนูนั่งสมาธิะค่ะมันก็คือคือเราภาวนาก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใจมันแวบไปคิดนะคะแต่ว่ามันมีความไม่สบายใจอยู่ในนั้นนะคะหนูก็เลยต้องแบบในเมื่อภาวนาแล้วมันมันยังมีความไม่สบายใจหนูก็เลยใช้วิธีนั่งแล้วก็คิด ทางปัญญาว่าเออเนี่ยมันเป็นเหมือนที่พระอาจารย์บอกนะคะเหมือนที่น้องเขาท่องว่าเออมันมีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์เคยพูดว่าเพราะเราไปยึดว่าเขาคือเป็นเป็นคนที่เรารักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือว่าเป็นอะไรแบบเนี้ค่ะถ้าเกิดเขาเป็นคนอื่นเราก็อาจจะไม่รู้สึกนะค่ะหนูก็พยายามมองให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปว่าทุกคนก็ต้องเจอทีนพอพอละตอนที่จะนั่งมาค่ะแล้วก็เลยคิดทางปัญญาแบบนี้หรือว่าคิดคิดอะไรแบบ มันเอาปัญญาเข้ามาช่วยคิดแล้วพอพอมันเริ่มจะคิดได้ค่ะมันก็เลยทําให้ใจสงบค่ะแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปได้ค่ะพาาาู้อาวุย์ดีแล้วสงบได้ก็ดีอย่าไปทุกข์กับอะไรทุกข์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ะอะไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเจ็บก็ต้องเจ็บกครจะตายก็ต้องตายค่ะค่ะแต่หนูไม่ใช่ว่าไม่กระตันอยู่นะคะแต่ว่าหนูพ่อหนูก็ไปหาคุณพ่อทุกเที่ยงเลยแล้วก็ คอยดูแลอะไรตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าคืออยู่กับปัจจุบันนะคะก็มีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปะคะ่ะอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรที่มันคือจะทําให้มันทุกข์ใจมากะคะ่ะก็ก็ใช้ธรรมะเข้ามาช่วยตลอดนะคะพระอาจารย์โอเคช่วงนี้ก็เป็นเลยต้องเป็นแบบนี้นะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงแล้วคือคิดแต่ว่าทางทำ ที่เอาแั่สงบกันกันอย่าไปคิดอันนี้ยังใบต่างปัญญาไม่ได้กันอย่าเพิ่งไปค่ะก็ตอนนี้ก็เลยแบบใช้ความสงบใช้ความสงบสยบความความคิดมากไปก่อนะก็หยุดหยุดความเคลื่อนไหวของจิตไว้ก่อนเพราะมันจะเคลื่อนไหวไปทางกิเลสใช่จังค่ะจะเคลื่อนไหวไปทางทุกข์อย่างนี้ก็อย่าปล่อยให้มันเคลื่อนไหวถ้าเราไม่สามารถใช้ปัญญาสกัดมันได้ก็ต้องใช้สติไปก่อนค่ะ ก็ต้องต้องใช้สติเลยค่ะใช้สติสมาธิแล้วก็คือเหมือนแบบหนูจะหนูจะช่วงอะไรอย่าเรียกว่าความสุขคือช่วงอะไรที่จะไม่รู้สึกว่าเออแบบเหมือนไปแวบๆความไปทางทุกข์ค่ะก็คือต้องฟังธรรมะพระอาจารย์หรือว่าอ่านหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าออโซฟาก็ทุกอย่างตลอดเหนือทย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้ใจไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ต้องยอมรับความจริงคนะ่ะ ยอมแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามตามธรรมชาตินะคะพระอาจารย์โอเคค่ะก็กลับเรียนพระอาจารย์เท่านี้ค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวจะยังคงคอนตินียทําแบบนี้ต่อไปก่อนนะคะอ่าอ่าถูกกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอ่าไปที่น้องพีต่อน้องพีโรงเรีนปิดเทอมหรืยังโอินเอร์ <Inter S 1> ก็ยังไม่ปิดอินเตอร์ยังไม่ปิดนะปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมแล น้องพีไม่ได้เรียนอินเตอร์ค่ะหลวงพ่อแต่แค่กึงกึน้องภาษ า, บาใบนึงก็อืมเรียนเป็นคัมเบตจะคะอ่าค่ ะ, ะคัมเบตเรียนเป็นแบบคัมเบตโปรแกรมมันก็จะแบบเน้นเน้นเน้นพวกบิทเตเยอะหน่อยเรียนยากค่ะอตอนนี้ก็จะมีแบบต่างชาติมาเรียนแต่ต่างชาติก็คือจะแบบแถวพม่ า, มาที่เขาโดนเกณฑ์มาจากจากอเมริกานะคะที่เขาไม่ให้อื พอ่อนนตจะมาสมัครกันเยอะอยู่ค่ะอืมน้องพีมีอะไรจะถามหลวงพ่อไหมไม่มีครับอ่านัองพียนั่งสบายที่ทุกเกินหรือเปล่าครับไม่นั่งเลยนะน่งนาทีก็ไม่ได้เลยมันยากตรงไหนน้องพี่ไม่ น, มม น, นั่งไม่สวดมนต์นัเลยคนะ่ะของดีๆนะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนะ จะได้บอกว่าไ ม, ไมนะ่ไม่ให้ของดีนั้นเนี่ให้ของดีเขาไม่เสกก็พอดีป้าค่ะพอดีว่าเออพอดพอีพอดีว่าช่วงเขาสอบอะค่ะหนูก็เลยไม่ได้พาเขาขึ้นไปนอนไม่ได้พาเขาขึ้นไปนอนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ไม่ได้ดูค ก็เลยให้เขาแบบไปนอนเองอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ช่วงที่พาลูกชายจะบวชนะคะสองอาทิตย์ก็เลยไม่ไมแทบจะไม่ค่อยดูแลอะไรเขาเท่าไหร่ตอนก่อนนอ น, นะคะ่ะก็ต้องทำงานเยอะเลยเตรียมอะไรเงี้ยคะ่ะสองอาทิตย์ อ, อันยอเสียดายที่ตัวเขาเองไม่สามารถจะควบคุมตัวเขาเองได้ค่ะใช่ก็ บอกแล้วบางทีเขาก็แบบเปิดเปิดยูทูบฟังสวดมนต์เองก่อนนอนอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าบอกสวดเองดีกว่าที่จะไปฟังนะอะไรย่างเงี้ยบอกสวดเสร็จแล้วค่อยฟังได้สวดเสร็จแล้วฟังได้แต่ไม่ใช่ว่าไปเปิดแล้วก็แบบนอนหลับอะไรแบบนี้นะคะ่ะนี่แหละคือเรื่องของคนส่วนใหญ่ได้เจอของดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะรนำมาทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ กิเลสเจ้าของใจคอยจีดกันไม่ให้ของใหม่เข้ามาหนูก็สวดมนตวน์เช้าเย็นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำบุญทำบุญ ท, ทาทานอยู่ตลอดยิ่งพองานบวชของพาลูกชายก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็มีคุณแม่ก็มาเป็นเป็นอ่าอ่าเป็นอ่า เ, เขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าภาพร่วมบวชหลานชายร่วมร่วมกันกับทางหนูแล้ว เงินปัจจัยที่ญาติโยมที่เขาร่วมทําบุญมาถวาย ว, วัดหมดเลยแล้วก็ถวายเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทก็ไปถวายผ้า อ, อีกสามหมื่นถวายเจ้าวัดที่วัดสามหมืนสองพันบาทเจ้าค่ะอ่าไม่ดีไม่ได้ทั้งหมดก็ไดะทำบุญครบรอบสี่สิบสี่ปีของหลวงปู่โตะที่วัดด้วยค่ะก็ได้ก็ะอ้โหงานบน ตลอดเลยก็ <c oughs> ดีใจค่ะที่ได้ทำค่ะคขอน อ, ขอนุโมทนานะขอบเจ้าค่ะโอเคไปที่ใครต่อเอยเดี๋ยวต้องขอดูสแกนหน่อยอาจารย์ผมวิไลจัจทร์กับนุสกา ร, รพระจานทร์ค่ะ รรครับนรรศการพระอาจารย์ครับอสบายดีนะแวะมาส่งกับสวัสดีครับค่ะสบายดีแนมะสบายดีนะคะยังหายใจได้อยู่ <c oughs> ยังไม่ตายก็ถือว่าสบายดีแล้วถ้าตายเมื่อไหน่ก็จบมนะันแล้วก็มีเท่นี้ชีวิตมันมีเป็นกับตายเหมือนหัวเหมือนเหรียญสองด้านนะมันก็โยนมันขึ้นไปมันจะตกลงมาเป็นหัวแล้วเป็นก้อยก็ ก็ต้องเป็นใบตามเนื่อของมันชีวิตของเราก็เหมือนกันมันก็มีเป็นกับตายนะสองอย่างอันนี้ยังเป็นอยู่ก็อยู่ไปค่ะคนก็ได้ได้บุญได้รับทำนะฮะจากพระอาจารย์เมื่อวานฟังที่มาจากแบนคูเวอร์คู่สามีภรรยาเนี่ยนะคะเชคะเชคกร์สวีวค่ะเขาก็ปรับรือ ม, มากนะคะแบบ บอกว่ามาเจอตนดีกว่าเจอในซูมเยอะมากไมคัด .Comment มาเจอในซูมาตั้งแต่โควิดมาก็อๆติดตามมาต่อแต่จริงๆแล้วไปเจอพระอาจารย์เห็นจริงๆฟังจริงๆเนี่ยซึ้งหัวอยู่ในซูมเยอะค่ะเพราะว่าฉลาดนะเขาเปิดเขาเปิด Google Translate ฟังไปเลยใช่เก่งมากเลยค่ะ ทางเขาได้ความรู้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบเจดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็ต่ยาศขาก็ัเแต่ายเขารู้ภาษาธรรมะอยู่ว่างเ mm hmm. พราะว่ารู้ว่าในนาทีแบบมันทันสเล่ไม่ถูกก็รู้ว่าหมายถึงอะไรค่ะแล้วเขาก็เลยได้ได้ธรรมะแบบฉบับยาวเหมือนที่เราเราได้ฟังที่หนึ่งหลายวันนนะคะแต่เขานี่ mm hmm. ได้มีโอกาสแค่ฟัง mm hmm. หนนี้หนหเดียวเขาบอกได้ซึ้งมากมากกว่าที่เขาได้อ่าน นะคะหนูได้อยู่ที่ซูงอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี้ทรไมนี่ทำไ ม, เ, ไมเทคโนโลยีที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักใช้มันหรือ <เข S 2> ใช้<า>จดโทษก็ได้เ ข, เขาเก่งมากที่เขาแบบใช้คือมันค่อนข้างจะทันสมัยมากแล้วเขาสามารถฟังได้ทันทีึงยังไม่เคยเห็นเห็นใครที่มาแล้วได้ฟังนะคะ น, นี่เป็นรู้สึกเป็นคู่แรกในนี้รู้สึกก็ก็สามารถแปลภาษาไทยอจากรายการที่เป็นภาษาอังกฤษได้เลยขา่ขาวข่าวบางช่องนี่มาเปิดดูพูดพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่มีตัวแคปชั่นเป็นภาษาไทยแปลให้เสร็จเลยเก่งว่ารเอาไวนี่เทคโนโลยีอยู่นี้ก็เลยมันทันสมัยมาก คนเลี้ยงลูกสมัยนี้ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเอไอเขาไปเร็วมากมจนเราเราคงวิ่งตามได้แค่ขั้นเดียวผมไม่ได้ถูกขั้นถ้าเราปล่อยให้มันไปตามมูลตามกรรมนะค่ะมุญญา<ำ>หารไกลอยากธรรมะขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุไม่มากขึ้นเท่าไหร่ความเสริมทางด้านจิตใจมันก็จะไม่มากขึ้นไปเรือ่อยๆมัม น, ม น, น, นมันสวนทางหนึ่ง ก็ใครใครได้เรียนรู้ได้มากก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองนะฮะการใช้ชีวิตก็จะมีความเป็นธรรมมีความสบายจิตเพิ่มเยอะมีความสุขสงบมากขึ้นใช่ค่ะไม่งั้นมีความทุกข์ความวุ่นวายเหรอโอเคค่ะทุกข์แล้วก็รุ่นเก่าแล้วเราเตรียมข้าวลงได้แล้วเราไม่ไปว่าแต่แเรายังอยู่งานคนแบบเอไอมาเราก็เอาเอาตามซะหน่อยอ่ะ เว้ยตาม<ด><ด>เรื่องแปลนี่ก็แบบมหัศจรรย์มากะะดีกสาธุอ่าสันโดษกับ ค, คุณยายถวัสดิคาร์พระเจคุณยายมากน้อยหล <c oughs> านชายสันโดษก็ <c oughs> ต, ตามนีสิค ะ, ะคุณยายแข็งงานสบายดีนะ ก็อยู่บ้านนะคะก็ดีมากไม่ดีมากนะคะแต่ก็พยายามไม่ดียังไงไม่ยังไงไม่ดีก็พยายามทําที่ดีทําให้ดีค่ะคิดแม่ถามว่าไม่ดียังไงก็บางทีก็ปวดหัวปวดฟันอะไรอย่างนี้ฮะเล็กน้อยอฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมร่างกายของเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปอย่าไปบ่นอย่าไปทุกข์กวนก็ฟยังไปหาหมอมาเลยค่ะมื่าหา วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์เข้ามาเรียนพระอาจารย์ว่าก็ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมครับขั้นตอนทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือได้เรียนรู้ว่าโอ้โหกิเลสเรามันลายเหมือนกันได้ <laughs> ยิ่งปฏัติพงรู้อลพิ่งรู้เล ย, ลเลยว่ามันลายมันเราเคยคิดว่ามันลายนะแต่พอเรายิ่งปฏิบัติมาโอ้ มันร้ายกว่าที่เราคิดแบบตอนต้นนี่ก็คือ mm hmm. ยิ่งเราปฏิบัติแเราถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราว่าร้ายมันร้ายอีกแล้วไอ้ที่เราว่ารัดร้ายกว่าเนี่ยมันคือถึงว่าเรามันผูกมัดให้เกิดตายเกิดตายได้ไม่รู้เท่าไหร่ถึงว่าแล้วจะรู้ว่าแก้ได้หรือเปล่ารู้ออว่าร้ายเราแก้มันได้ปะพยายามอยู่ <laughs> ยอมยอมแพ้ยกธงขาว พยายามครมีมีแพ้บ้างชนะบ้างผสมกันไปไม่สู้เลยยกมือยกมือยอมแพ้จับยอมให้เป็นเฉลยไปเลยเลยของกิเลสไปเลยน่าจะเป็นมานานแล้วมั้งครับไม่งั้นคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้โอเคต้องพยายามนะสู้ต่อไปนะพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ครับพรุ่งนี้วันเกิดเลยเข้ามาขอพรพระอาจารย์ล่วงหน้าครับก็รู้อยู่แล้วว่าจะให้พรยังไง ทุกคนในห้องนี้ก็รู้อยู่แล้วอยากกลับเมื่อเกิดเลยนะสาธุโอเคใคที่เป็นหมอภาสนาเป็นหมอจะกลับมาเกิดไม่เกิดเลยอ๋อตั้งใจเต็มที่เลยครัพระอาจารย์เห็นภัยจริงๆไม่อยากกลับมาแล้วพระอาจารย์พยายามตั้งใจเลยก็เห็นเห็นภัยเห็นภัยนะในสังสารวัฏนี้ก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ได้ถ้าไม่อยาจะชำระใจได้นอกจากการภาวนา ศีลสมาอ่าท่านศีลยังไม่สามารถชำระให้สะอาดได้ต้องมาใส่ภาวนาแล้วก็เนี่ยค่ะเอ่อเอาเอ่อหนังสือเดือนน้ําระเมบัวของหลวงตามหาบัวมาเลอะมาอ่านใหม่อีกนะรู้สึกแบบรื่นเลิงมากอ่านแล้วรู้สึกแบบดีมากๆเลยพระอาจารย์ก็เป็นกําลังใจในการปฏิบัติด้วยค่ะก็เลยคือพยายามให้อยู่รอบตัวด้วยพระด้วยด้วยด้วยทอ่ะพระอาจารย์จากพระอาจารย์จากหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยที่พระอาจารย์แนะนํามำตั้งใจนะแล้วก็ยังมีความสงบ มีความสุขคือสังเกตใจตัวเองรู้สึกว่ามันมันแบบมันเบาขึ้นเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์ไอ้ไอ้สิ่งที่มันทํำไปทําให้เรามีปัญหาเยอะๆอย่างเช่นอย่างที่เคยเรียนค่ะอาจารย์อย่างการขับรถอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบคือมันเพิ่มจากการที่มันไม่มีปัญหากลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับเออมันสงสารคนที่แบบที่แบบเออขับไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่มีบัลลังก์เลยนะอาจารย์แตรู้สึกสงสารแทนคือมันเหมือนกับว่ามันเพิ่มขึ้นทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกดีขึ้นไม่เรื่อยๆขับก็สงบร่มเย็น ที่เขามียอมเพราะเามีความอยากชะหนีไปสงสารเขาว่ามีอะไรมาขวางทางว่าอะไรเงียบเงียบลำคางให้มาระบายมาแล้วก็ที่เห็นเขาทะเลาะ<ค>กันที่แบบว่าทะเลา ะ, ะกันเรื่องรถเนี่ยก็เป็นปัญหาที่แบบน้อยมากแล้วแบบคือเข้าใจเลยพอถ้าถ้าทุกคนฝึกสติแล้วมีอย่างเงี้ยมีครูบาอาจารย์สอนนะจะไม่ทะเลาะกัน mm hmm. เพรทุกคนมันเกิดมาเป็นกรรมมีกรมมกรมเหมือนกันจะมาทะเละาะกันทาไม เข้าใจมากขึ้เรื่อยๆพระอาจารย์ค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราสงบไม่ไม่มียารมแล้วพระอาจารย์ที่ เ, เลยความโลภความอยากได้ไอยากได้ความอายมาขัดขวางหน่อยก็เลยกลอยขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปปฏิบัติต่อพระอาจารย์พรุ่งนี้วันพระค่ ะ, คะคก็ไปเหมือนเดิมสาธุแท้คุณแนนคุณนนท า, <Yeah. S 2> ท า, ทานีวันนี้นิ่งเฉยสงบไม่มีปัญหาอะไรไม่มีคําพูดอะไรฟังอย่างเดียวเก่งมาก ค่ะค่ะ <จำ S 1> ขอบพระคุณค่ะอาจารย์นัการธรรมสตร์เจาค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะันนี้จเป็นยังไงอที่นี้ดูออสการ์ค่ะอาจารย์อันนี้อันที่นี้ดูออกาจะนึกทาธรรมะไปหรือเ่อ <laughs> ขอ า, อาจารย์ก็ <laughs> ปกติก็ไม่ได้สนใจค่ะพระอาจารย์ออสการ์แต่พอดีแอ บ, บมีกิเลดเพราะว่ามีน้องลิซา่าไปแสดงก็<ม>เลยขอดูหน่อยค่ะค่ะอาจารย์เป็นลูกสาวแห่งชาติอุตสาไม่ยอมถึงบ้านนะเป็นลูกสาวแห่งชาติต้องขอดูนิดนึงคะ<ม>่ะพระอาจารย์ปกติไม่เคยดูค<ม>่ะไม่ได้สนใจค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ สติก็ก็ดีขึ้นจากอาทิตย์ก่อนค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็บอกเลยว่ามีกิเลสเข้ามาพอสมควรค่ะพระอาจารย์พอดีก็มีเรื่องที่แบบจะเอาบ้านลิสตมันก็มีมีแบบมีดีเทลเยอะแยะทําให้เราเกิดกิเลสค่ะพระอาจารย์ค่ะความชุวยที่สุขจิตของยิเลนต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ฮะค่ะพระอาจารย์าา <c oughs> ใช่ค่ะพระอาจารย์เลยกลายเป็น แบบกำไรเยอะๆใช่อาจารย์รู้ว่าท่าน <ไอ S 2> รู้เลยเ<ม>ดาได้เลยว่าต้องเป็นอย่า ง, งานั้นใช่ไหมคะอาจารย์เกาไมากเกามากน้อยสันโดษเกาะไปนานสันโดนอา้ายาวเท่าไหร่เอาไปเลยจบมันมันเป็นกิเลสของเราแล้วก็เป็นการแบบเป็นกิเลสที่มาจากบลกอย่างบลกเกอร์ที่เขามาเขาก็จะมาพสตเราอะคะอาจารา <laughs> ย์นี่ 100% ของเราใช่ไหม ใช่เขาจะพยายามพุชว่าต้องอย่างนี้ต้องแบบเหมือนกับได้ยง ม, มากเขาก็ได้เพราะว่าใช่ใช่ค่ะพระอาจาเราก็บอกเออบอกเถ อ, อไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าต้องเข้ามาเซตจิ้งเฟอร์นิเจอร์นะต้องไปเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาต้องแบบทําบ้านต้องเนี่ยตอนแรกที่คุยกับพระอาจาร์บอกว่าเออทาบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพอพอโบเกอร์มาอ่ะจะต้องทํานู่นทํานี่ให้มันดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ทำนียเลยนะ ใช่ค่ะพระอาจารย์เราก็เลยต้องแบบตอนแรกก็เคิรมไปกับเขาโหแบ บ, บคิดไปคิดมาโหค่าใช้ใจ่ากเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆเราเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะเขาเขาไม่ได้จ่ายแต่คือถ้าเกิดเราทําให้ดีขึ้นเขาก็ทําให้เขาขายมากได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แต่เราก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเออมันจะมันจะแบบเราจะไปหวังอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวมันจะแบบออไม่จำเป็นที่จะต้องแบบให้ได้อะไรสูงสุดขนาดนั้นนะคะอาจารย์<อ><ะ> ก็กิเลสก็เลยมากันใหญ่เลยค่ะพระอาจารย์ก็ต้อ ง, อ ง, องทั้งนอกก็เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ฟังของพระของดอกเตอร์วีเห็นพระอาจารย์เพราะคุณหมอพูดว่าพระอาจารย์จะจัดจัดเพิ่มกับคุณอุ๋ยบูตาเบสเหรอคะก็ยังไม่เป็นอะไรเป็นทางาอารก็พอดีวันนั้นเข้ามา เห็นห็นเข้ามาแต่ตอนต้นเราก็ปฏิเสธไลยบอกว่าเราไม่ไม่สะดวกไม่มีเวลาแต่ถ้าจะจัดแบบออนไลน์อย่างเงี้ยก็อาจจะยังพอที่จะทำได้อยู่เหมือนกับจัดแบบาวีอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมาสัมภาษณ์ที่กุเิมาทมนเป็นคงยังไม่สะดวกอ๋อค่ะพระอาจาลูกเห็นหมอเห็นคุณอุ๋ยเขามาส่บาทตอนจบใช่ไหมคะอืมอ่ะ ลูกนึกถึงตอนที่ลูกได้เป็นได้ดูคุณอุ๋ยบุดาเวสเป็นเหมือนเป็นสะพานบุญค่ะพระอาจารย์ลูกรู้จักคุณหมอค่ะพระอาจารย์ก็จัดรายการเขาอ่ะค่ะ mm hmm. ค่ะก็คุณ mm hmm. อุ๋ยเขาสัมภาษณ์คุณหมอแล้วลูกก็ฟังคุณหมอเขาพูดถึงพระอาจารย์ค่ะลูกก็เลยไปตามหาพระอาจารย์ก็ลเลยนึกถึงอ๋อขอเป็นสะพานบุญนะคะอื mm hmm. <c oughs> ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ ก็ยังไม่มีอะไรเป็เปนเป็นกิจจลักษณะเพียงเดียวอก็เอ่ยมาแล้วก็ตอบต่อไปอืมค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะจัดไหมก็จัดแบบหมอวีเนี่เพียงแต่จัดอีกคืนหนึ่งก็ได้อืมถ้ะอาจารย์จะไม่เหนื่อยเกินไปเหรอคะก็พอพอรับได้พอไถ้าถ้าถ้าไม่ทําไม่รู้เนี่ยจะต้องตอบเนื่องกันทุกคืนทุกทุกประเทแต่รายการเขาคงไม่จัดยาวค่ะพระอาจารย์คิดว่า ก็เขาอาจจะเป็นแบบของเด็กมากก่ามั้งคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมทำไมก็ประมาณก็คือส่วนใหญ่จากที่รายการเขาที่ลูกเคยดูก็คือจะเป็นแบบคนที่สนใจแบบคล้ายๆแบบอย่างแบบดาราหรือว่าคนบบบคนแบบคนแบบคนดังบางคนที่แบบว่าคือเข้าถึงอธรรมะอะไรเงี้ยศึกษาธรรมะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขามาคุยธรรมะด้วยกับ ชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้เด็กนะคะก็คือแบบเป็นคนทั่วๆไปวไปยังไม่เข้าลึกเหมือนเหมือนพวกเรานี่อ๋อแม่ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ก็มีบางคนก็ก็ก็ลึกค่ะอาจารย์ยังไม่ถึงกับปฏิบัติอาจจะศึกษาแล้วก็ใช้แต่ว่ีที่หลังการศึกษามาใช้กับชีวิตประจําวันไปค่ะอย่างบางคนที่แบบเป็นบางคนที่เป็นดาราหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนแบบดูแล้วเหมือนกับ เออเขาไม่ได้ดูตอนแรกเขาเหมือนกับไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่พอแบบเออบางคนพอพ อ, พอเข้ามาอะไรมาออกอรายการคุณอุ๋ยบอางคนก็เขาก็อบอกว่าเขาศึกษาปฏิบัติธรรมก็เลยบอกเออก็แปลกใจดีอะไรเงี้ยค่ะส่วนเดี่ยจะเป็นแบบสไตล์แบบนเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็หลากหลายเนี่ยคนเราก็ค่ะแต่เราก็แม่มีรายการของเราเป็นแบบเนี้ยคุยแต่เรื่องศีลมาธิปัญญาเป็นหลักอารศีลเสมอ ของเรานี่แบบว่าเป็นแบบอีกแบบแบบลึกเข้มข้นนะคะอาจารย์ค่ะแต่ของของของคุณอุ๋ยเขาจะแบบคือแบบมีพูดถึงชีวิตประจําวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เรื่องทั่วๆวไปด้วยที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ของเรานี่แบบคุยแบบว่าลึกซึ้งนะคะะอาจารย์เอาทางในมากกว่าค่ะค่ะแล้วแต่แ้วแต่ค่ ะ, คะโอเคมีอะไรอีกไหม ไม่ไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็ขอให้พระอาจารย์ท้าทัดขแข็งแรงค่ะก็ยังสู้ต่อไปค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ทิ้งค่ะพระอาจารย์คุณสภารตาใช่อยู่นนจับนมสสรราสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ปทุมธานีลำลุกากาเจ้าค่ะจ า, จากเท็กซัสมา อ, อยู่ปทุมมีความแตกต่างเยอะไหมก็ <c oughs> ก็อากาศค่ะคะทำป่าเ ต, ตัวเยอะแนะ่ใช่เจ้าค่ะก็อากาศมันมันไม่สดชื่นเท่าอยู่กับที่เท็กซัสเจ้าค่ะเพราะว่า<ม>บ้านที่เท็กซัสมีต้นไม้เยอะอ<ม>ืเจ้าค่ะก็อยู่ที่นี่ก็คือรถเยอะควันเยอะแล้วลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยก็ค่อนข้างจะค<ม>วันนิดหนึ่งอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมา ไ, ไหนเลย ใช่เจ้าค่ะคุณพ่อให้มอเตอร์ไซค์มาขี่เพราะว่ารถที่มีคือให้คุณพ่อเขาไว้ใช้<ม>เราก็เลยไม่นนกล้าเอาคืนให้เขาใช้ไป<ม>เขาก็เลยให้มอเตอร์ไซค์เรามาใช้เ<ม>จ้าค่ะลูกไปไหนก็เลยไปกับมอเตอร์ไซค์เจ้าค่ะก็เลยควันนิดหนึ่งเวลาขี่โดนท่อรถเมทท่ออะไรหน่อยมนะันก็ไม่เหมือนที่เท็กซัสเท็กซัสอากาศดีกว่ายเยอะเจ้าค่ะก็<ม>ปรับไป ตับตามสภาพไปเจ้าค่ะกะ็ตกลงลูกได้เรียกเรียกสอบสัมภาษณ์งานเจ้าค่ะวันวันศุกร์นี้ที่จะถึงก็ดีหวังว่าจะผ่านเนาะแล้วค่ะาสาธุนะของพ่อเจ้าค่ะถ้าเขาเรียกแสดงว่านาเขาเช็แสดงว่าเขาก็สนใจนะั่นหละ ก็ก็ถ้าได้ก็ก็ก็จะทําให้คุณพ่อเขาได้สบายใจแล้วก็เหมือนตอบแทนเขาสักทีเจ้าค่ะเขาก็ตั้งแต่จบมาก็ยังไม่ได้ทําเป็นหลักก็ครั้งนี้คงจะดีใจมาก ๆ, ๆเจ้าค่ะแล้วค่ะก็ที่มหาลัยเจ้าค่ะดีก็ดูไปอย่าเพิ่งไปตั้งใจอย่าไปคาดหวังว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันต้องไม่มีอะไรแน่นอนนะอะไรจะเกิดก็เกิด อาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ดีที่สุดต้องสันโดษยินดีตามเมตตามเกิดเรา จ, จะได้ไม่เสียใจไม่ไม่ดีใจใเฉยๆได้ก็ไม่ดีใจสไม่ได้ก็ไม่เสียใจเจ้ค่ะลูกน้องนำคาสอนของพระอาจารย์เสมอเจ้าค่ะลูกก็ทําเตรียมใจไว้แล้ ว, ลวคือเดินที่พระอาจารย์สอนคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ ลองที่ท <ำ S 1> ใหม่ไปก็ไปไปเรื่อยๆตามตามบนตามมเจ้าค่ะที่ไหนก็ถ้าเทพที่ไหนใช่ก็คงจะใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คงไม่ใช่แต่ว่าลูกก็พยายามทำทาให้ดีที่สุดคือถ้ารู้สึกว่าคือลูกคิดว่าถ้าเราทำดีที่สุดผลออกมาไม่ได้ก็ยอมรับได้ก็<ม>ได้ก็ถือว่าทำได้ทำได้ดีแล้วถ้าไม่ได้ก็ยอมรับ ตามพี่บาจสอนก็ขอให้ใจเราอย่างทุกข์พ่อไม้หลักของเราก็คือรักษาใจเราไม้ทุกข์กเรื่อองะไรเลยเจ้าค่ะลูกน้อมนําคําสอนมาตลอดเจ้าค่ะใจต้องไม่ทุกข์เจ้าค่ะอมจะใจทุกข์ต่อให้ได้อะไรมามันก็ไม่คุ้มค่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณลูกตาค่ะคุณแม่เจน <ไ>น้ำมันสตินำ้ำตาการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เอ่อนั่งสมาธิแล้วก็ดูกายอ่ะค่ะดูกายกยายานุสติอิฎยาบทย่อยที่ทําอยู่ค่ะพอมันเพิ่ค่ะพอมันเพิ่หลุดไปก็รีบเอากลับมาค่ะอ่าค่ะการนั่งสมาธิมันจะสงบง่ายค่ะได้เมติมติใจมันก็ชุ่มชื่นขึ้นนะคะ สงบขึ้นค่ะนี่อาจารย์ยังไม่ได้นั่งนะนั่งบ้างค่ะอาจารย์นี่แับถ้าถ้าทํางานดึกดึกแล้วพอทําเสร็จแล้วนอนไม่หลับเนี้ยค่ะก็ต้องใช้นั่งสมาธิช่วยค่ะอืมก็ไดีแต่ไม่ได้นั่งทุกคืนค่ะร้อนนะยังไม่ติดนะยังไม่ติดสมาธิยังไม่เย็นดีกับในการนั่งค่ะยังไม่ได้เห็นค่ะแต่ก็ต้องจะติดใจ แต่ก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ด้วยนะคะฟังธรรมะแล้วก็ฟังที่คนที่เข้ามาส่งการนั่งสมาธิให้พระอาจารย์ฟังแล้วพระอาจารย์ก็ตอบคําถามแก้แก้ไขนะ่หนูก็หนูก็เข้ามาฟังไม่ว่าในที่ไม่ได้เข้าซูมสองครั้งเนี่ย ก, ก็ก็ตักฟังอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ใน y o u t ยูทูบแล้วก็ของคุณหมอวีก็ไปฟังค่ะก็ะฟังที่พระอาจารย์แก้แก้สภาวะอารมณ์ของแต่ละคนที่ถามอะ<อ><ๆ>แล้วก็เก็บมาใช้กับตัวเองค่ะอื ดีเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เป็นโอ้หนูว่าจะหมดหวังแล้นูเห็นเส้นแดงอ่าแต่เมื่อก่อนหนูไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะไปยังไนะองอืมแต่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะนะตอนนี้หนูมีหนูมีความหวังแล้วค่ะอืมหนูมีความหวังแล้วก็มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเมื่อก่อนหนูก็มีเป้าหมายแต่ว่ามันเหมือนไปไม่ถูกอะ ค, ะ ค, ะคะอ่ะพระอาจารย์มันติดขัดแล้วมันก็ไปไม่ถูกอืมก็หนูก็ ก็ปฏิบัติทำมานานนะคะแต่มันก็ไปไปไม่ได้ไปไม่ไม่ไ ม, มีอะไรก้าวหน้าคืาพอจุมพระอาจารย์นะติดกรัรอะไรก็ถามได้นะ ค, ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ ะ, ะคุณซันนี่ น, น้านกรอบกลบนมัสการค่อระอาจารย์วันนี้มารายงานการปฏิบัติค่ะเดือนนี้หนูตั้งใจ เอ่จะถือสินแปดทุกวันค่ะแต่ตอนแรกจะถือแค่เฉพาะวันวันหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่เดือนนี้จะเอถือสินแปดทุกวันแต่ว่ายังไม่กล้าให้สัจจะค่ะว่าจะได้ไปถึงเมื่อไหร่แต่ก็พยายามจะให้ยาวที่สุดค่ะไมดีอย่างน้อยก็ไม่ไม่เป้าหมายไว้นะะค่ะ แล้วก็จะพยายามเพิ่มเวลาการนั่งสมาธิแล้วก็การดูกายระหว่างวันตอนที่ทำงานอยู่แล้วกออ็อยู่กับกายถ้าอาจารย์คะมีคำถามค่ะคือหนูพยายามอยู่กับกายแต่บางทีก็มันก็หลุดไปหนูก็จะใช้ ที่นึกได้คือพุทโธมันจะมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาดูกายอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคะได้ใช้แทนก็นได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้กายก็ได้คือถ้านึกนึกอะไรได้ก่อนก็จับอัไรไว้ก่อนได้ใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นการเจริญสติเหมือนกันอ่ า, าดูกายได้ก็ดูไปถ้าเผลอไปทิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไร้สติก็จะใช้พุทโธเดินกลับมาก่อนก็ได้ค่ะก็ช่วงนี้เพิง่ง พิงเริ่มตั้งใจทำทั้งวันก็ยังยังหลุดเยอะอยู่ค่ะแต่ก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะพยายามทำทั้งวันเลยเหรอมีคว า, ยาที่ดีชัดเจนคือไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่อลืมปั๊บก็ลืมไปเลยเป็นชั่วโมงอะไร่งง้มีนะมีไหมมียอะยั ง, ย, งยาวยาวข่ายังยอออ๋อลืมอ๋อลืมลืมไม่ยาวค่ะแต่ว่าก็ บางทีจะมีช่วงที่ทํางานแล้วแบบต้องคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหลุดไปนานเหมือนกันเวลาต้องคุยกับลูกค้าต้องต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะมีเหตุจําเป็นแต่พอพอไม่มีอะไรก็<ๆ>ก็พยายามกลับมาที่กายไม่ใช่พยาไปขึ้เรื่องนต่อนะค่ะก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นคะ่ะแต่ว่าก็ยังมีหลุดอยู่บ้างคะ่ะแต่ก็ พยายามคิดว่ามันรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอะก็ดีที่มีความตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนว้ต้องทำอะไรเช่นรักษาสิ้นแปดแล้วก็เจริญสติระหว่างวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งต้องนั่งสมาธิด้วยนะถ้ามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิต่อค่ะจะเพิ่มเวลานั่งสมาธิจากเดิมนั่งแค่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีก่อนนอนก็ ตอนนี้พอถือสินแปดก็ไม่ได้ดูหนังดูซีรีส์แล้วก็มีเวลามีเวล า, วลานั่งสมาธิค่ะเยอะขึ้นะระหว่างวนก็นั่งได้ถาวไหนระหว่างช่วงไหนบ้างเอาสักห้านาทีสิบห้านาทีก็ยังดีค่ะก็จะมีช่วงกินข้าวเสร็จอะคะ่ะแต่ก็สถานที่ไม่ค่อยอำนวยแต่ก็หนูก็พยายามนั่งฟุบแล้วก็พุโทโธไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามไม่ไม่มีที่ไม่มีที่นั่งสมาธิค่ะอืมก็นั่งที่โต๊ะทํางานเอาไปนั่งหลับตาไปไม่ต้องนังาธก็ได้ค่ะจะจะพยายามทําประมาณนั้นคะ่ะพระอ า, ยาจารย์อืมดีถ้ามีมันมีความตั้งใจแล้วต้องมีสัจจะพยายามรักษาความตั้งใจไว้อย่าให้ล้มเหลวแล้วา ก, ก็มีวิริยะความเพลินพยายามที่จะทําทตามที่เราตั้งใจไว้ มันมีขันติความอดทนเวลากลายความท้อแท้เมื่อนหน่ายก็ต้องไม่ยอมถอยนะค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์จะไม่ยอมแพ้ค่ะตแต่พระอาจารย์รรตอนนี้รู้สึกเหมือนรู้สึกเข้าใจความรู้สึกของเออ่คนที่กําลังเลิกบุหรี่เลยค่ะหนูปกติจะติดพวกซีรีส์นิยายมากเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็แบบรู้สึก สู้กันอยู่เวาไม่ได้ดูมันรู้สึกงงเงียเวลอยากดูนี่มันรู้สึกว่าเหมือนใจมันตอนวันวันสองวันแรกที่ที่หยุดอะค่ะปกติถ้าถ้าถือสินเฉพาะวันหยุดใช่ไหมคะมันก็จะรู้เหมือนตัวเรารู้อะค่ะว่ามันมันหยุดดูแค่วันหนึ่งวันต่อไปก็ดูได้แล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่พออันนี้เราจะตั้งใจจะหยุดยาวอ่ะค่ะโดยไม่มีกําหนดก็มันรู้สึกว่าสองวันแรกนี่คือเหมือนแบบเหมือนลงแดงอะค่ะว่าจะ รู้สึกว่าจิตมันมันขุ่นขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเพราะมันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะดีขึ้นมันก็จะหายก็เลยรู้สึกว่าอ๋อคนที่เขาเลิกเลิกบุหรี่นี่เขาก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วเราอยู่ในเราอยู่ในโลกมากมใช้สติมามากเราอยู่ในโลกด้วยค่ะพระอาจารย์ทํางานเหมือนเหมือนเราอยู่แบบเราต้องอดข้าวแต่อยู่ในร้านอาหารเนย่ะค่ะมันก็แบบ ต้องใช้สตินิดนึงถ้าทําได้ก็ถือว่าเก่งเลยทาข้อสอบแบบนี้จะพยายามค่ะอาจารย์แล้วก็ดูไปนะระยะทางเป็นเครื่องผู้สูงนะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนมิสูจว่าเราเราจะดีถึงขั้นถึงขึ้นขั้นไหนเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆจะตกมาเมื่อไหร่ไม่รู้ไงเสียวอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่า น่าจะทําได้เรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกินข้าวเรื่องเรื่องนอนที่พื้นอะไรเงี้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาค่ะก็แอบมาจิตขุนจากจากเรื่องที่แบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้ดูบันเทิงอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งค่ะแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่ค่ะอาจารย์โอเคมาดูไปดูไปค่ะขอปคนณนะเอาวั น, วนต่อวันเดี๋ยไปมองไกลกันไปเนี่ยมันจะท้อแท้ได้ ได้คค่ะรั์ชนะให้มันผ่านไปวันแต่วันวันต่อ ว, วันได้ก็โอเคแนละ้ววันนี้ชนะมันได้กัน็พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะว่ากันใหม่ค่ะหนูจะใช้พระอาจารย์เป็นที่พึ่งค่ะเป็นกำลังใจได้จะขอบคุณค่ะคุณชาตกามีไงมีตั้งเป้าจะทําอะไรหรือเปล่าหรือไม่แล้วนะพอใจแนละ้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะโอเคนะอ่ะ ไปเรื่อยๆไม่โน้มน้าไม่ไม่อะค่ะเพราะว่าลูกอันนั้นก็พยายามพิจารณาเหมือนที่พระอาจารย์บอกพอแล้วถึงมึพอถึงพอแล้วพอพอแล้วพอแค่นี้แล้วก็แฟนก็เขาเพิ่งตัดสินใจได้ว่าแบบเขาตอนแรกตอนที่ลูกฟังพระอาจารย์ลูกก็เอาของของลูกไปให้คนหมดเลยแล้วก็ของแฟนน่ะ เขาบอกเขายังทําใจไม่ได้แล้วมาสออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์เขาวัดตัดสินใจโลหมดเลยแล้วก็ภูมิใจว่าเขาทําได้ลูกก็บอกว่าเออเราอะ่ะก็ไม่ได้มีภาระอะไรอยู่กันสองคนก็เหลือแค่พ่อก็ต้องทําไปเรื่อยๆเพื่อแบบเราไม่รู้ว่าเราตายเมื่อไหร่อ่ะให้เตรียมพร้อมทุกวันทุกวันเป็นวันสุดท้ายอค่ะอาจารย์ อ่าดีกิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่าดีได้ทลายยิ่งดีมีอะไรจากได้เกาไว้จากไปเอาแค่คใช่ใช่ไอของจําเป็นเท่าพอใช่เอาเท่าที่จําเป็นนะคะอาจารย์เพราะคิดว่ามันก็แค่สองคนมันก็ไม่ได้มันก็พอแล้วมีบ้านอยู่มีอะไรจากที่ฟัรพระจานทร์นะคะแล้วก็พี่ที่ทํางานนะคะเขาอะเครียดจาก แล้วก็เขาก็คุยกับลูกแล้วลูกก็บอกว่าให้ลาออกเขาก็จะลาออกลูกว่าลูกบอกว่าก็พี่ก็นิสัยคล้ายหนูพี่ก็ไม่อยากได้ลาบยศอะไรพี่ก็ออกมือเรื่องมันก็จะได้มีเยอะอเออแล้วเราแล้วเราก็เราก็เป็นสาวโสดเงินเดือนมันก็พอใช้จ่ายเขาก็มาคิดถ้าเราไม่ได้แบบ ไปอะไรที่มันม cat, มใช่ใช่มันพอไงคะราชการเขาก็เลยบอกเขาออกเขาก็ไม่เสียรายค่ะแต่ลูกถ้าเจอวัาจารย์เนี่ยถืชวนบวชเราไม่กล้าชวนใครเราจะมาโทษเราลูกลูกเขาบอกว่าพี่ยังไม่เคยทำเกี่ยวกับไม่ไม่เคยเข้าธรรมะบอกอุ้ยไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเราอะ เราก็เป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วเราแค่รอคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้ถ้าถ้าถ้าที่ฟังมาถ้าเราแบบอยู่คนเดียวจเจริญสติเราได้อ่านหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใจเราก็เย็นแต่หลักสาเหตุก็คือให้เราแบบเรามีปัญญาแล้วแหละแต่เราอ่ะไม่มีสมาธิถ้าเรามีสมาธิมันก็จะดิ้งคิดเป็นเหตุเป็นผลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าเดชนะดี๋ยวนี้สอนธรรมะได้แล้วอะไรไม่เหมือนมีอา <c oughs> จารย์ู้ไม่ได้สอนเขาคุยเขาคุย <c oughs> คุยอะลูกคือเป็นคนที่สนิท ก, กัน <c oughs> ถิงล<ด>ูกไปสอนไทยหรอกแบ่งแบ่งปันกันแบ่งปันธรรมะกันค่ะเขาก็เลยแบบพี่ไปเขียนลาออกและบอกค <Okay. S 2> ่ะเดีค่ะ okay. ค่ะ ถ, ถ, ถ, ถึงอ่าน้องเอเกัน ก, การานวัตการมนะคะพระอาจารย์สุชาติอวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะพระอาจารย์ก็ยังคงเอิงคิดว่าการที่เอิงกินข้าวมือเดียวเป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่รู้สึกว่าลําบากอะไรแล้วค่ะเพราะว่าตัวเอิงก็เบาสบายด้วยค่ะอ๋อ mm. oh, แล้วก็ แล้วก็ยังพยายามกลับมารู้สึกตัวเวลามีอะไรมากระทบค่ะแต่สิ่งที่เอิงจะทาเพิ่มขึ้นในตอนนี้ค่ะพอดีว่าเมื่อหลายวันก่อนได้เจอคลิปหลวงตามหาบัวค่ะท่านน่ะได้เทศถึงเรื่องว่าเออคนเราเนี่ยตั้งใจทำงานวันละแปะชั่วโมงอะ่ะยังตั้งใจทำได้เลยเราจะแบ่งเวลาเพื่อแบบปฏิบัติธรรมจริงๆในรูปแบบเนี่ยแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้หรอ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะส่งผลไปในหลังความตายอะค่ะเองก็เลยตั้งใจว่าทุกวันตีห้าถึงหกโมงก็คือเดินจงกรมค่ะยังไม่นั่งยังไม่นั่งสมาธิเหร อ, <c oughs> อามาน ย, ยังนั่งไม่ได้น เ, เออไม่ถนัดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูก็ได้ค่ะแบนครึ่งไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าครึ่งชั่วโมงล้วก็นั่งสักครึ่งชั่วโมงได้คะ่ะ มันจะได้สองอย่างเดินจงกรมก็เพื่อจะนั่งสมาธิด้วยเป้าหมายก็คือต้องการให้จิตสงบเดินอย่างเดียวไม่สงบหรอกมันต้องเดินเป็นการสร้างสตขึ้นมาแต่ถ้านั่งแล้วมันก็จะทําให้จิตได้สมาธิตามใช่ค่ะดังนั้นเด็กเออเอาไปปรับเพิ่มค่ะเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างละครึ่งชัวง่วโมงห้าสิบ้าสิบนะอย่างละห้าสิบห้าสิบถ้าเป็นพิซซ่าเราสองรสอย่าไปเอารสเดียว เอเคค่ะ <Okay. c oughs> อาจารย์วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วที่ผ่านมามีต้องต่อสู้กับอะไรบ้างว่าเ <c oughs> ยอะแยะเลยเอืมค่ะแต่รู้สึกว่าผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าเหมือนเอองรู้สึกว่าเอองรักพธรรมของพระพุทธเจ้ามากเลยค่ะ <c oughs> พระอาจารย์เราวันที่เอิงเจอเรื่องอะไรเอิงก็มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์ด้วยมีพระอาจารย์ให้กําลังใจเอิงด้วยโดยที่เอิงไม่ได้เล่าอะไรให้พระอาจารย์ฟังเลยเอิงคิดว่ามันผ่านไปได้ค่ะแต่อาจจะหลุดนิดนึงแล้วก็กว่าจะกลับเข้ามาอาจจะใช้เวลาเนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอิงเอิงคิดว่าเอิงก็เข้าใจระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆก็คงจะไม่หลงไป แต่ตอนนี้ก็เน้นใจกลับมาให้ได้นะใช้ปัญญาเนึงกลับมาทุกอย่างเป็นไตารักเวลามันหลงไปก็ใช้ตายรักเดินต่อมาทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, ม า, ามไม่ใช่เป็นสุขขังว่ามันเป็นทุกขังค<า>โอเคขอบคุณค่ะพระอาจารย์คุณโอพีเคไม่ไง ทีนนี้ต่อสู้กับอะไรบ้างต่อสู้โอเคเตรงไหนประานอรานอาจารย์เจ้าค่ะความจริงนนี้เลยเจ้าคะอาจารไม่มีคู่ต่อสู้ช่วงนี้ไม่ยะะเลยอาจารย์ก็หลังจากวันพุธใช่ไหมเจ้าคะวันพุธที่สนทนาธรรมเสร็จปุ๊บวันพหัสไปลอง25ครั้งเจ้าคะแล้วก็บันสุก ขอลาธุรนเขาวัดเป็นวันหนึ่งไปทานสองมื้อแล้วเห็นกิเลสมันมันมาหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เลยรู้ว่าอ๋อกลับมาสองมื้อไม่ได้แน่นอนแล้วก็วันวันเสาร์หยุดกินเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ทานวันหนึ่งมันแปลกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำไมพอแบบว่ายี่สิบคำนี่ห่วยฮะแต่พอวันที่จะไม่ทานคือมันก็อยู่ได้เลยค่ะคือเดื่มแต่น้ําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันดูไม่ได้ไม่มีโอกาสได้กินเป็นก็เลยต้อง แล้วก็นนไม่ปวดตาเอาแบบนี้ยินดีกว่าอดมันไม่เลยดีกว่ามากินแค่ยี่สิบคำมันมันนอกสิเลนเบาๆกินสลับวันไปเช่วันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินอย่างนี้ดีกว่าเดียกินวันละยี่สิบสองวันติดกันเอาสลับกันกินวันนึงตามปกติแล้วอีกวันก็ไม่กินไปเลยก็ดีเหมือาานกันนะครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้หนูว่ากำลังตั้งใะต่อก็คือพอหลังจากวันเสาร์เนี่ยหยุดกินได้ปุ๊บ วัานอาทิตยหนูก็กลับมา20คำเหมือนเดิมจ้าค่ ะ, แ ล, ะ, ะแล้วก็ตั้งหล็จจะเวลาเจ้าค่ะาจารย์ขอเป็น20คำให้ถึงวันที่15เดือนนี้จ้าค่ะใช่เดี๋ยวจ ะ, ะจะน้อมนำเอาคาแนะนำจากอาจารย์ไปปฏิบัติด้วยค่ะว่าลองทาปะกะตินหน่อเดียวไม่ต้อง20คําแล้วก็วันวันถัดไปต้องหดุดอะไรนีคะอาจารย์ไม่ต้องทำค่ะอาจารย์ที่มันอดได้จ้าค่ะหนุ่มจ้ะค่ะเ<ล>พราะว่าเคยอดติดกันสองวันมาแล้วจ้าค่ะทำโทษ เราไปฉันแบบนี้มาเป็นยาเป็นเป็นเดือนเป็นปีเลยคนวันเว้นวันเนี่ยเป็นวันเว้นวันเจค่ะทุกยี่บสี่ชั่วทุกสี่สิบแปดชั่วโมงให้กินหนึ่งครั้งเจ้ค่ะเดี๋ยวหนูจน้อมนาไปปฏิบัตินะคะอาจารย์เพราะว่าแต่ตอนนี้หนูเจอปัญหาตรงที่ว่าอ่พอหนูทานยี่สิบคำเนี่ยหนูจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายก็ค่ะอาจารย์วันวันคงน้อยไป็นเจ้าค่ะเล็กอันนี้คือสองวันแล้วก็ยังไม่ไม่มาไม่ออกเลยนะคะอาจารย์ เรามัน้องกังวลหรอเนี่ยเวลามันมาอย่าไปกังวลเลยบางทีอาหารน้อยมันก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมันจะพัดดันลงมาถ้เรามันให้มันแน่นท้องก่นอ่งมันก็มาเองค่ะแต่อยากด้วยก็อยากมากนะสิคะอาจารย์เหมือนวันนี้หนูก็สารภาพว่าคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ยพอกําลังมันตกไปเนี่ยหนูก็อาศัยปานะเหมือนกันก็คืออาจารย์ เพราะว่าวันทีก็คือปกติคือจะพยายามดื่มน้ำาปล่าตามคำแนะนาของอาจารย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีดัชชอกลางมีแบบปานะเป็นน้ำอ้อยลยไรพนี้เจ้าค่ะอาจารย์ว่าพินเมว่ากี่เลยมัชอบาเรื่อไปเยอ่ะชอบทานกิอจันหาย่องออกมันหายซอออกเลยเจ้าค่ะอาจารย์แถมยังยังไปแบว่ายังจิต ครับดีจ้ะค่ะพี่ของกินเลยะลกะรู้ขนาดว่าเั็เงกินได้น้อยะไรนเจ้ า, าค่ะาแต่ว่ามอะไร <c oughs> ไมันสลับอมันสลบสลา์กรค่อยๆกินเลยเพราะว่าปาพวกนี้เป็นยาว่ารักษาโรคไม่ใช่ยยายงร่างกายยังเป็นปกติอยู่ยัไม่กินมันย่าไม่ดื่มมันนะปานนน่านะอะไรได้เจ้าคะจาร์มันมีมันมีเป็นบางวันที่เบรกได้นจคะคือต้องขึ้นสัจจะเาคะอาาร์คือพอมันอยากมากๆปุ๊บอาวันนี้ตั้งสัจจะเลยวันนี้จะดื่มแต่น้ําปล่าไม่ได้กินอยน้ะค่ะ ไม่กินบลานะไม่ไม่เอาปลานะะไรก็ยังมันก็ได้ในเจ้าค่ะพรอาจารย์พอจะเอาจริงๆพอขึ้นสัจจะมันก็ทาได้เจ้าค่ะรอาจารย์แต่พอไม่ขึ้นสัจจะเนี่ยโอ้โหพอแป้งมากเลยเจ้าค่ะรอาจารย์สอาานู้อเจ้าค่ะอาจารย์ีเนรู้ามไม่ตั้งสัจจะแสดง ว, ว่าเราอยอมมันนะใเยอาจารย์มันก็เลยไม่ไะอายแล้วถอยหลังก็ไม่ได้เลยเจ้าค่ะอาจารย์ ถอยนี่คือตกคมูแน่ๆเจ้าค่ะหมูว่าไม่สามารถที่แบบจะถอยได้แล้วเลยค่ะสงสัยต้องมือเดียวไปตลอดว่าพอลองแค่สองมือเนี่ยได้ใจวายแต่ก็โชคดีว่าพอจะหยุดจริงๆก็หยุดได้นลยจ้าค่ะอาจารย์พอเออวันขึ้นได้กินนะก็คือดีได้ด้วยน้ําเปล่าอะไรก็ค่ะก็ลองดูไปว่าจะอยู่ได้ทั้งนานเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวลอาไปใหม่ๆจะง่ายครับ ต่อไปถ้ามันทํางานขึ้นงานขึ้นเ น, นีอาจจะยากขึ้นยากขึ้นก็ได้ใช่ค่ะแต่มันก็นเห็นปัญหามกันก็ขอพักอาจารย์อย่างห น, นูเวลาหนู่ใช้แรงจากร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าแรงมันตกไปเยอะก็ค่ะพอทางยี่สิบคํานสก้านนี้สารภาพตามตรงว่าคือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนไปซักผ้าหรือทําอะไรเนี่ยที่ต้องใช้แรงจากแขนไปขัดพื้นห้องน้งนําลงที่นี้กค่ะอาจารย์รู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยมีแรงกะค่ะก็เลยพอเหนื่อยออกก็เลยต้องมาเออปะญะหน่อยอะไรกะค่ะหาวันหวานหนึ่ม ก็ต้องดูกําลังขอ ง, ของร่างกายนะถ้ามันขาดอาหารมากเกินไปมันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็ต้องก็ต้องปรับนะจ้าค่ะได้จ้าค่ะแต่หนูตั้งสัจจะไปแล้วค่ะภาจารให้ถึงวันที่สิบห้าอย่างเี้ยจ้าค่ะกาลังดูเคจขอเป็นยี่สิบคำให้ถึงวันที่สิ้าเลยะคะ่ะถ้าไม่ไม่ไหวจริงๆยังไงเนี่ยหนูอาจต้องอาศัยปานะไปก่อนนะจ้าค่ะอาจารย์เพราะหนูอยากรักษาสัจจะตรงนี้ว่ายี่สิบคำให้ถึงวันที่สิบห้าค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอเป็นได้เท่ากับ ปนะไปก่อนเจ้าขจ อ, อ, อืมโอเคนะคะะคะขอบคุณขอบคุณเจ้าคขอพูดแคอืมุนจุ๊บโอเบมีอะไรมานามสกันพระจร์เจาา้าค่ะมีอะไรมาร า, ายงานไหมอืมรายงานเหรอเจ้าค่ะหนูตอนช่วงนี้หนูก็อ่าพยายามดู ดูข้างในตัวเองดูจิต ด, ดูใจของตัวเองเจ้าขาพาอาจารย์แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมาก็พยายามมองเข้าไปข้างในว่าเราคิดยังไงเราเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพยายามดูร่างกายไม่ยอมเจริญสติเจริญสติก็เจริญขาพาอาจารย์ก็ดู ดูล่างกายเวลาที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็ดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปดูไปทั้งวันอย่าไปดูใจได้นะเราเนี้ยดูมันไม่ได้หรอเจ้าค่ะถ้าดูถ้าถ้าดูนะดูใจต้องหยุดมันใได้ถ้าดูแล้วหยุดมันไม่ได้ก็อย่าไปดูพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าสมมุติเราอยากหาจิตตัวเองนี่เราต้องน้อมเข้ามาดูข้างในตัวไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะก็ต้องใช้สติไงถ้าไม่มีสติกันหนึ่งมันเข้ามาไม่ได้เจ้าค่ะ ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนในการดูกายไปก่อนเขาดูล่างกายไปก่อนแล้วนั่งสมาธิจนจิตรวมเข้ามาเป็นสมาธินนะมันถึงจะเข้ามาข้างในแล้วตอนนั้นถึงจะดูใจได้ออก็คือต้อง ด, ดูแล้วก็หยุดมันได้คือต้องต้องนั่งสมาธิจนรวมก่อนถึงจะเข้ามาดูข้างในได้ ไม่ไม่ใช่แบบว่าเราอยู่เฉยๆนี่เราดูเข้าไปหรือเจออะไรก็เราดูเข้าไปไม่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะพ่อก็ดูได้แต่มันหยุดมันไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลกันกิเลสมันอยู่ข้างในแต่เราอยู่ข้างนอกมองมันเราก็ทําอะไรมันไม่ได้นันต้องเข้าไปในข้างในไปอยู่ที่มันที่มันอยู่เลยอยู่กับมันเลยพอมันทําอะไรเราก็หยุดมันได้ออจ้ะค่ะแล้วเราส่วนเรื่องอาทิตย์ที่แล้วที่หนูเคยบอกพระอาจารย์ว่าเอ เวลานั่งสมาธิแล้วหลังๆนี่มันมีก็เหมือนเจาะก้อนจุก ข, ขึ้นมาแล้วพระอาจารย์บอกว่านั่นแหละตัวทุกข์แหละให้ดูหนูก็นั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาพิจารณาดูว่าเออไม่ควรพิจารณาะควอย่าควอย่าดูลมต่อไปแล้วพุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับการที<า>่เกิดขึ้นหนูหนูก็แบบพิจาีดดละก็คือพระอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวทุกข์หนูก็พยายามหาเหตุแห่งทุกข์ ว่ามันทุกข์เพราะอะไรหนูก็เห็นว่าเอ อ, อที่เราทุกข์เพราะว่าเราเคยไปได้ยินได้ฟังเ อ, อ่อจระยานมีที่ท่านที่เก่งๆที่ที่ในห้องนี้ค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าเขาทำยังไงอย่างเงีเ้ยเราก็ไปตเตลไ ป, ไปแล้วมันตะลิดไปเตลิดไปแล้วมันก็ไปยึดว่าจะต้องทําให้ได้อย่างเขามันก็เลยเหมือนเป็นการเพ่งแล้วก็เข็นตัวเองให้ได้อย่างนั้นนะคะแล้วมันก็เลยจุดขึ้นมาต้องเพ่ ง, งที่พุทโธต้องเพ่งที่ลมอย่าไปเพ่งตัวนั้น อเจ้าค่ะอย่าไปสนใจอะไรเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วอยู่กับนมไปคุณฟังแอาจจะไม่เข้าใจนะอือปัญญาหนูน้อยอย่างเงี้ยแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็พยายามอย่างที่พระอาจารย์ตอบหนูมาทุกอาทิตย์หนูหนูกลับไปย้อนฟังหลายรอบเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พยายามจะทำความเข้าใจมันก็ ตามนั้นนะคะเราบอกฝึกสติก่อนว่างฝึกสติก็ฝึกระหว่างวันไปเลยดูร่างกายไปเพราะเราพุโทโธไปทั้งวันนี้อย่าให้ใจท <c oughs> ิ้นเตลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามเลยให้อยู่กับพุ <c oughs> โทโธอยู่กับลมไปจนกว่าจิตจะนวลจะเนื่งเป็นสมาธิ แล้วพอเป็นสมาธิแล้วทุกอย่างก็อยากหายไปหมดอาจารย์ค่ะอาจารย์คะคนเรานี้จะจิตรวมเป็นสมาธิได้ง่ายขนาด น, นั้นเลยเหรอเจ้าคะาโอ้ก็มีสติก็ได้เพราวพวกเราไม่ชอบสร้างเจริญสติกันนะั่นแหละไม่ได้ชอบไปทําอย่างอื่นกันอยู่เรื่อยเจ้าค่ะสติก่อนพระเจ้าบอกสติเป็นธรรมที่สาคัญที่สุดสติเป็นหัวหน้าเป็นผู้นํา ไม่มีสติสมาธิปัญญาก็เกิดไม่ได้วิมุตติการดับของทุกข์ก็ไม่เกิดนี่พูดมาปากเปลือกปากฉีกมาไม่เป็นเปรีแล้วพวกแค่เรื่อนี้อย่างเดียวแต่คนฟังก็ไม่ฟังกันแบบไหน้กเอางเแล้วก็ไปคิดดูตัวดูตัวคิดกันดูตัวจิตกันดูนูน่นดูนี่กันไม่ยอมอยู่กับร่างกายไม่ยอมอยู่กับวิถทที ไม่ยอมอยู่กับลมอ่ะอาจารย์เนีหนูตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวหนูจะเอาไปฝึกแล้วก็เดี๋ยวจะามารายงานพระอาจารย์อาทิตย์หน้าเจ้ า, าค่ะอยากขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อยวาเพิ่งไปดูจิตดูจิตแล้วก็หยุดจิงไม่ได้อย่าไปดูนะจะดูแล้วพอมันโลบปั๊บก็หยุดมันได้พอมันโกรธปั๊บก็หยุดมันได้ พอมันอยากได้อะไรก็หยุดมันได้อะไรเงี้ยก็ดูได้แล้วถ้าสมมุติมันหยุดได้เลยสะคะก็ดูได้กาลังดูเถอะจหยุดมันได้เป่าหยุดได้ทั้งวันหรือเปล่าอย่างนี้ใหหยุดได้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเพิ่งปันพร่าปล่อยให้มันออกมาเป็นเป็นขบวนเลยมันจะออกมาเป็นขบวนรถไฟเลยถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้แสดงเราหยุดมันไม่ได้เนอ ถ้เาเรข้าสมาธิได้เนี่ยแสดงว่ามนเหยุดมันได้ค่ะครูอาจารย์คะหนูหนูกลับขอเข้ามานะคะกเะ็เพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าที่พระอาจารย์สอนหนูว่ามันต้องเข้าสมาธิจนรวมให้ได้ไนะคะมันเลยทําให้หนูต้องแบบเวลานั่งอ่ะมันก็ไปเคนแบบเมื่อไหรจะร่วมเมื่อไหรจะรวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็บอกให้คิดยังไงบ้างง้อบอกให้คิดยังนั้นงง้อบอกให้ดูลงไปเรื่อยๆแลพูดถเรื่อยๆอย่าไปสนใจว่ามันจะสงบง้อไม่สงบ มันจะสงบมันก็สงบเองยิ่งไปยิ่งไปน้นยิ่งไปคิดเป็นเขาไม่สงบมันอไม่หยุดคิดมันเราไปคิดดิ่งที่เราเวลามันสงบยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านอย่างก็คือเราต้องปล่อยมันไปปล่อยก็คือไม่สนใจมันจะสงบไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราอยู่กับลมแล้วอยู่กับพูดโธไปแล้วค่ะ หนูจะเอาไปปฏิบัติค่ะค่ขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์มันง่ายๆนะพูดง่ายๆครนี้แต่ฟังเวลาเอาไปปฏิบัติเป็นคนละเรื่องไปเลยมันยากนะคะพระอาจารย์จริงๆแล้วอ่าหนูคิดว่ามีคนเหมือนหนูเยอะเลยค่ะพระอาจารย์โอเคขอบคุณค่ะอคุณยินดีได้่ะอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านของเราทั้งนั้น ใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะท่านอาจารย์พอที่จกลับมาอยู่บ้านรู้สึกดีใจไหมก็ดีใจค่ะแต่มันก็มาทุกทีมก็มีแม่ใช่ไหมคะพอตอนนี้มันก็แลหลงหลงมันก็ขาดไปเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ก็เกิดแก่เจ็บตายก็เดียวถึงวันก็ต้องพาดกันไปแต่ละคนแต่ละคนค่ะท่านอาจารย์ต้องฝึกทําใจนะใช่ค่ ค่ะท่านอาจารย์ค่ะทําใหเกิดอารมณ์อย่าให้เกิดอารมณ์ไม่เป็นค่ะค่ะลูกดูลูกรักษาใจอยู่ค่ะท่านอาจารย์โอเคค่ะวันนี้เดวิดติดตามมารืเปล่าค่ะวันนี้เดวิดติดตามมาหรือเปล่าค่ะก็เมื่อเช้าที่ท่านเขาบอกมาค่ะว่าให้นี่อะให้ฝากกราบท่านอาจารย์มาด้วยแล้วก็ค่ะติดต่อมาค่ะท่านอาจารย์ท่านก็เขาก็บอกระลึกถึงท่านอาจารย์ ให้ฝากกราบบอกท่านอาจารย์ด้วยว่าร ะ, ะ, ะ, ะลึกถึงท่านอาจารย์นะคะท่านอาจ า, ารย์หนูก็เลยบอกไปมาาเมื่อเช้านี้คะ่ะท่านอาจารย์เอขอบพระคุณท่านอาจาร ย, ย์พิยาศูนย์ค่ะท่านอาจารย์คุณฟังว่าอะไรย่อยผมนี่ว่าชากรรมรยยรนรมาศกามเจ้าค่ะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเรียนจบเลคเชอร์จบหมดแล้วคะ่ะเผื่อปฏิบัติเร่งปฏิบัติอย่างเดียวค่ะ เปลี่ยนงานหรือยังเจ้าค่ะเริ่มงานได้สามวันนะคะก็กลับบ้านเร็วแล้วก็มีเวลาทำกิจวัตรพวกนี้ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ปวดหัวน้อยลงเงินเดือนน้อยค่ะตำแหน่งลดลงเยอะมากค่ะแต่รู้สึกสบายใจไม่ยึดติดกับราบยกสรรเสริญค่ะเออเอาพออยู่พอกินก็อพอนะเอาเวลามาปฏิบัติทำดีกว่ค่ะก็ปกติหนูจะชอบติดไปใส่บาตรพระอาจารย์นะ พอเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาหนูหนูได้ฝึกเยอะค่ะหนูก็จะติดพระอาจารย์มากช่วงช่วงแรกๆค่ะต้องไปทุกวันต้องทำกิจวัตรทุกวันอะไรค่ะพอห่างพระอาจารย์นะคะมันหนูหนูเรียนเยอะแล้วอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่หนูห่างเนี่ยหนูหนูก็ห่างแค่ตัวแต่ว่าหนูหนูเอาวิชาพระอาจารย์ที่สอนมาค่ะมามาใส่มาใส่มาใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยรู้สึกว่า มันเข้มแข็งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระลึกธรรมะการปฏิบัตินะคะทําใจได้ดีค่ะมีสติการปฏิบัติสําคัญที่สุดนะเนี่ยเจ้าค่ะถ้ามีเวลาหนูก็จะไปที่ที่วัดค่ะไปฟังธรรมเจ้าค่ะการฟังเทศน์ธรําก็มีประโยชน์อย่างทิ้งอย่างน้อยการที่เราหนึ่งครั้งก็ยังดีเจ้าค่ะไม่ดิ้งเลยเจ้าค่ะถ้าอยู่บ้านก็จะจะเปิดฟังออนไลน์เจ้าค่ะไม่ไม่ทิ้งแน่นอนเพราะหนูเห็นคุณค่า ที่ดีมากๆหนูเกือบแบบจะแย่มาแล้วเลยหลายครั้งพระอาจารย์ช่วยส่องช่วยสั่งช่วยสอนแล้วหนูเห็นคุณค่ามากๆหนูก็พยายามจะเผยแพร่ธรรมะที่พระอาจารย์บอกอะคะ่ะที่สอนมาหนูรู้สึกว่าใครที่ได้รับน้อมรับธรรมะที่พระอาจารย์ได้รับตรงมาจากพุทธศาสนาะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ, นะๆอยากเผยแพร่มากเร า, เอาสอนต่อเลยให้ครบบริบูรณกันได้เจ้าค่ะ น้ำแบบเจ้าขาพะอาจารย์กับ <Okay. S 2> ขอบคุณพระอาจารย์ไปทีกป่กุลปัญญาน้ำนะไปที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ชลบุรีค่ะพระอาจารยม์มีอะไรไหม <c oughs> ที่ผ่านมาก็พยายามนาอิทิพิโสที่พระอาจารย์บอกให้เอาไปใช้ให้มีสติแต่เจอกับโทสะที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้หัวใจมันเต้นแรงมาก แล้วมันก็ร้อนจนแบบเหมือนไฟอยู่ข้างในอ่ะพนนยายามชดใช้เลยหนูพยายามท่องพโพธิแล้วมันก็เอาไม่อยู่มันร้อนจนแบบทนไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วทําไง ร, เรไะเบิดได้เลยระเบิดไปแล้วแล้วก็มาดูว่าโอ๊ยทําไมมันรุนแรงขนาดนี้ทําไมมันหลอนได้ขนาดนี้ <c oughs> มันก็ร้อนทั้งวันทั้งคืนแหละค่ะ <c oughs> จนเราไม่น้องไม่ฝึกสติเรื่อย พยายามฝึกสติระหว่างทั้งวันไปถ้ามันจะทันเหการณเวลาการความโกดขึ้นมาก็จะหยุดมันได้ค่ะจะอดคนว่าวันนี้จะพยายามฝึกสติมากกว่า น, นี้ค่ะโอเคนะสติสําคัญนะสติคือเบรกของใจมันเบรกของรถยนต์รถยนต์ถ้าไม่มีเบรกก็ไกล้าขับรถไปข้างนอกไหมเบรกกลาง ก็จะไปชนกับรถคนะันอื่นนะจีเกิลเหมือนกั น, น, กนจด่นไม่มีสเตกเหมัอนรถไม่มีเบรกมันเลยก็ไปชนกับคนนั้นชนกัคนนี้ะมันมันร้อนเลยกันมันร้อนมากๆเลยอด้ความโกรธเนะี่ยมันไฟใช่ค่ะถตาถ้านึกถึงพุทโธไม่ได้นึกถึงเมตตาได้ไม่ให้อภัยเขยอมเขายอมแพ้แล้วยอมอยูุ่ดเรียนได้ไหม มันจะได้หายร้อน ย, ยอมแพ้ยกมือยอมแล้วหยุดต่อสู้ใจจะได้เย็นค่ะหนูจะพยายามค่ะอืโอเคนะข้าของค่ะคุณมาลีาาอ๋อตาหลพ่อคะ่ะหลวมาลีไม่เคยหลุดบ้องในนี้หลุดไหมเคยมีหลุดน้องไหมสตย ไม่ค่ะไม่กดใครกันเลยเนี่ยรู้รู้ทันก็หยุดแต่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยเห็นเห็นได้ชัดเจนเหมือนแบบไม่รู้จะปวดไปทําไมอนยะ่างเงี้ยปวดไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็คือหนูก็จะปัดตัดออกไปเลยแล้วพอพอตัดออกไปอ่ะเหมือนใจมันก็ไม่ทุกข์มันก็เบ า, ม, เบามันก็สบาย เดี๋ยวมันไม่มีอะไรที่อยู่ ก, กับเรานานอะไรงล้วค่ะหลวงพ่อหนูว่าเสียวถ้าเราไม่ยื่นไม่เตะไม่เทืออะไรในของเราแล้มันก็จะไม่ค่อยโกรธใครแล้วเลยค่หะหลวงพ่อคือแบบโอ้ยมันคือถ้าหนูแบบเนี้ยน่าจะทําตั้งงานแล้วค่ะหลวงพ่อไม่ไม่น่าจะไปไปเอาอะไรมาใส่ไว้ในใจของเราอย่างเงี้ยค่หะหลวงพ่อแล้ว <S <S 2> <S 2> ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหนู หนูไปดูที่เขาผ่าศพชันสูตรศพค่ะหลวงพ่อหนุ่ยิ่งยิ่งดูแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็พิจารณาโอ้โหยิ่งจิตยิ่งสงบเสียค่ะหลวงพ่อเห็นได้ชัดเจนว่ากายกับจิตเนี่ยมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันจะมาเป็นของกันและกันเลยนอกจากวิญญาณที่ของจิตเนี่ยมันมาจากมายึดร่างกายแค่นี้เองค่ะหลวงพ่อเราเรากินอาหาร อย่างอาหารที่ดีๆเข้าไปเนี่ยมันก็แปรสภาพแล้วพอเข้าไปอยู่ข้างในแล้มันมันก็ยังไม่สามารถอยู่ได้แล้วพอร่างกายตัวเนี้ยมันมันตายลงไปอะ่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งเข้าใจว่าเออมันไม่มีประโยชน์เออแต่ถ้าเป็นต้นไม้เป็นต้นหญ้าเวลาเขาตายแล้วเนี่ยเรายังมาทําปืนทาําฟางทําอะไรได้ยังใช้ประโยชน์แต่ของเราเนี่ยมันมันตายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ยกเว้นคือตอนอยังไม่ตายอะ่ะ เราก็ใช้ให้เขาทําทําดีแล้วก็ทําไม่ดีอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อพอหนูเห็นเงี่ยแล้วหนูก็พิจารณาเสร็จแล้วหนูก็ไปนั่งสมาธิหูหลวงพ่อจิตจิตมันตื่นจิตมันเป็นสมาธิแบบดีมากๆเลยค่หลวงพ่อทาจนถึงทีสองแบบมันไม่รู้สึกว่าเราเหน็ดเราเหนื่อยอะไรอย่างเี้ยเลยหลวงพ่อออกมามันสบายมันไม่มีอะไรที่มาทําให้เราหนักใจอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมีสติดีทุกอย่างค่ะหลวงพ่อ ที่นี้ใจมันก็เลยจดจอที่ว่าจะพยายามทำคือมันเห็นเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้พระหลวงพ่อล้ใจมันก็จออยากที่จะจะปฏิบัติเข้าไปเยอะๆอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อตอนนี้คือไม่ไม่ออกนอกเส้นทางอะไรทั้งนั้นค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอ ม, ม่มันมีกำลังใจอะ่ะหลวงพ่อ้วส่วนหนึ่งของการไปเจรจาสุภา พ, พื่ตตัดการมารมนะการมาการมาราคา ไม่ใช่ไม่ใช่ดูไปแล้วยังยังห้ามกา ร, รมาราค้าไม่ได้การแสดงว่าไม่ได้า ม, มาใช้ให้มันถู ก, ถกทางขาหหัเห็นนะครับออเหนือยติสนิดีดในนสุภาถ้ามันจะไม่มีกา ร, รมาราคาเห็นใครแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะมีอะไรกันกับเขา ไม่ไม่มีตรงความคิดตรงนั้นไม่มีเลยค่ะหลวงพ่อเห็นเห็นแล้วบอกเออมันมันไม่มีอะไรจริงๆเขาตั้งแต่เขาเขาผ่าค่ะหลวงพ่อผ่าละผ่าตั้งแต่เออหน้าอกลงไปค่ะหลวงพ่ อ, พอจนถึงท้องอ่ะแล้วเอาเอาวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนขึ้นมาจงกระทั่งดึงออกมามันเหมือนกับเหมือนกับปลาเหมือนกับอกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเห็นแล้วว่า เออมันนุ่มมมีอะไรจริงๆแล้วก็มาผ่าผ่าดูเของจริงแล้วดูภาพถ่ายดูดูที่เขาเป็นวิดีโออะค่ะหลวงพ่อที่ทําจริงๆค่ะหลวงพ่อที่แบบไม่มีไม่มีเซ็นเตอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะหลวงพ่อพอหนูดูแบบเนี้ยมันเหมือนมันได้สมาธิค่ะหลวงพ่อหนูเห็นปุ๊บมันจิตมันนิ่งมันสงบค่ะหลวพ่อแล้วก็พิจารณาเราก็ไม่ได้แตกต่างจากเขากระทั่ง ที่เขแกะไอ้สมองออกมาจากกะโหลกอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มพ่อโอ้โหมันไม่ได้มีอะไรที่ว่าสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างมันพอหนูมองปุ๊บที่เราเห็นว่าดีว่างามเนีย่ยก็คือไอ้หนังเนี่ยที่มันครอบมันคุมเอาไว้แต่พอเราแกะเราฉีกออกมาเนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่สวยงามมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่เราควรจะไปรักไปหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มพ่อพอเห็นแบบเนี้ยคนอื่นก็เหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มพ่อมันก็เลย หนูก็พอที่จะเห็นทางที่ว่าเออทําไมใจมันถึงคลายได้ถึงถึงปล่อยถึงลาถึงวางพอที่จะได้มองเห็นทางมากขึ้นเสมอครับ น, นี่วันนี้พิจารณาสุภาได้ต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีมันจะไม่กล้าพิจารณาไม่อยากจะพิจารณาค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วพออยู่ประจําวันหนูก็จะฝุดสติไปด้วยแล้วพอทําอะไรอ่ะมันจะลึกถึงข้างในของเราว่า เป็นแบบนี้แบบนี้แบบมันจะเห็นแต่อีกข้างในของเราเหมือนเหมือนที่เราเห็นม้นะ่ะไปนี่นปัญญา เ, เริ่มเดินนะครับโอเคนะมีอะไรไมไม่ต้ อ, อโอเคโอเ ค, อเ ค, อเคกาแฟกอฟชื่อไหนกันนะชื่อกาแฟหรือชื่อกอ์ฟนือทั้งเสายาว ก็ครับก็วันนี้ไปหาหมอมาครับไปตรวจไขมันขึ้นสองร้อยปกติเขาให้ร้อยสามติบก็เลยเดี๋ยวต้องทำโปรแกรมลดน้ต้องกินยาเหรครับยังไม่ต้องกินยังครับยังหมอให้ให้ให้ไปดูแลตัวเองก่อนให้ลดให้ลดไขมันลงไปนะให้ลดจุดสองมันนะ มันเป็นไขมันไขมันเลวครับไขมันดีไขมันดีก็สูงไขมันเลวแต่ไขมันเลวมันเกินเกินเกินข้ามาตรฐานครับคือตรวจตรวจอะไรอตรวจแคลเซียมตัวอะไรเงี้ยครับตรวจตรวจมะจุ่มปีตรวจเยอะตรวจเยอะเลยเหมือนผ้าจารย์แม่นยามากเลยที่ที่สั่งวันแรกจเป็นปีแล้วยังยังยังลังเลอยู่เพราะว่าที่บ้านก็เสิร์ฟอาหารบ่อยก็คือเรียกกินตลอดคือเหมือนร้านอาหารคือที่บ้านคุณพ่อนี่ แกเกษียณแล้วแกก็จะแบบทาอาหารตลอดแล้วก็ทําเยอะๆะลยเนี้ยครับ <S <S ก็ก็เลย ม, มีผลบ้างไม่บ้างมีเยอะเลยครับอาจารย์แล้วก็เลยก็เลยไปปรับพยายามปรับโครงสร้างที่บ้านด้วยครับ <S <S <S ครับเรื่องนี้<อ>นก็ก็พ<ต>ยายามอย่าไปอยู่ ใ, ใกล้กับที่ที่เอามีอาหารให้กินเยอะๆ ก็ก็ก็ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้อรผมก็พยายามออกมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนแกก็จะโทรตามแกก็จะแบบตลอดครับมันมันก็ห้ามมันก็ห้ามยากผมก็ผมก็ยังไงอรยังยังไม่ได้ทำหารเป็นเองเหมือนที่นี่แล้วก็จริงๆข้างหลังมันก็เป็นครัวเล็กๆได้เลยนะครับทำง่ายๆได้ มันก็อยู่ที่เราน่ะมันไม่ได้อยู่ที่คนด้วยด้วยส่วนกินนี่อย่างตอให้เขายันเยีินยังไงมันก็ไม่กินนะมันเหมือนเป็นความแบบเคยชินตั้งแต่เด็กอะไรย่างนี้ด้วยครับอาจารย์ขอบคุณอยากการถ่ายเป็นคนรับข้อก็ตัวเรานั่นและครับอืมเขอสวยแล้วอาจารย์ไหมราขอสวแล้วแล้วก็ก็ก็ช่วงนี้นั่นงอื่นก็ เวลาทำอะไรก็ใช้เทคโนโลยีครับใช้ AI เข้ามาเวลาให้เดีย๋ยวนี้มันไปไกลามากเราสั่งให้มันวิเคราะห์แผนภาพ<ม>ทำรายงานหรือว่าห้นินหสินแปดนี่ใช้ AI ช่วยได้ไหมบอดด้ AI AI เขามีพอสามารถแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องคำนวณได้จะใช้คำนวณมากกว่าแต่สินแปดนี่ เดี๋ยวผมไม่ทํามาให้พระอาจารย์โอ้ทำยังไงถามถามให้อายเดี๋ยวว่าทำยังไงจะรักษาสิ้นแปดให้ได้ทุกวันโอ้ยมันมีตารางมาเลยแต่ว่าเราก็ต้องทำพระอาจาย์ถ้ามันให้ตารางมาเราไม่ทํามันก็ปลอดประโยชน์ครับอ่ามันมันมันมีตารางให้เราทําอยนะครับมันให้มันเอากิจกรรมเราให้วิเคราะห์ได้ว่าเออเรามีปัญหาด้านไหน่มันจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมดที่เราปรึกษามันด้านสุขภาพจิตวิทยาเนีไยครับมันก็ออกแบบ ก็ลองถามมันดูว่รักษาเส้นแปดได้ยังไงทำยังไงแต่รู้ดีของผมได้ยังไงผมเคยทำมางั้นมีของดีเราให้มันมันช่วยเราสักหน่อยดิอาจะช่วยในทุกเรื่องก็แบบมันมันช่วยใครทุกข้าวอาจารย์บางทีเรื่องธรรมะหรือเรื่องอะไรปรึกษาอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจไม่ได้ใช้ธรรมะเราก็อาจจะใช้การคิดวิเคราะห์คือมันเหมือนตํารามันเยอะครับเขาน่าจะดึงข้อมูลจากตําราด้วยครับอาจารย์ ก็ลองดูแล้วเขาจะเี่นข้อมูลมาให้เราได้ไหมว่ง<ส>างรักษาสิ้นแปนได้ยังไงบ้างน่าจ ะ, ะเป็นข้อมูลที่เขาเคยเคยมีกันมาในอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นก็ลองดูเลยว่าจะช่วยเราได้ไหมเรายัางไม่อยากจะรักษาสิ้นแปลย่ากนะเขาอยากต้องต้องต้องทาแล้วครับเพราะว่าพระอาจารย์แม่นว่าเลยเนี่ยแม่งกับคุณหมอคุณหมอนี่ยังคาเดเอาไว้ได้เป็นปีพระอาจารย์บอกว่าเอ้ยเหลือมันปีแล้วครับ คนนี้เห็นผล <Okay. S 2> เลยโอเคสอง <laughs> ร้อยกวามไม่ันเดี๋ยวตายนะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ครับเดยวังปฏิบัติยังไม่สิ้นสุดครับตอนนี้ก็พอมีทุกวีแล้วเราใจเย็นมากขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นเราสามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทุกข์ครับเพรา ะ, ะว่ามันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปน okay. ้อมนาไปเป็นับ คุณนาวินใช่ไหมนาวินว่าอยู่ที่ไหนสีรับอาจารย์อยู่กรุงเทพครับบางนาครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมไปเข้ามานานแล้วครับอาจารย์อมีอะไรไหมก็ผมสู้กับโรคซึมเศร้าครับอาจารย์ก็อพอเข้าสมาธิได้มันก็หลุดไปเลยมีความสุขตอนนี้ก็ติดสมาธิครับอาจารย์ก็ ไม่ไมเป็นไรสมาธิไม่เป็นไปดีก็ติดความซึมเศร้านะครับมีเวลาก็จะเข้าสมาธิอืก็เปิดพระอาจารย์ฟังแล้วก็เข้าสมาธิไปด้วยครับมันรู้สึกเหมือนจะได้ปัญญาเป็นในตัวครับอาการเศร้าเป็นไงไมนรู้สึกไม่ความไม่มีความสุขอย่างเี้ยนะเศร้าซหงาอย่างเี้ยมันเศร้ามันถึงขนาดอยากจะลาโลกอะครับอาจารย์อืม แล้วพอฝึกสตินั่งสมาธิแล้วอาการนี้หายไปเลยก็ตอนแรกมันก็ยังสู้กันอยู่พักๆหนึ่งครับแต่พอพอจิตรวมได้แล้วอะครัมันก็มันก็โล่งไปเลยว่างเลยนะจิตก็ว่างไปเลยใช่ใช่ครับก็ดีเลยถ้าทําจิตรวมได้ก็ควรจะทําบ่อยๆนะใช่ครับทําบ่อยมากอาจารย์ว่างก็ทําวันหนึ่งห้าหกรอบอะครับอ่าอย่างนี้ก็คงอาการเที่ยเศร้าได้นะน่าจะน่าจะมีขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่ไม่ค่อยมาครับท่านต่อไปก็ใช้ปัญญาอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆที่มันทําให้เราซึมเศร้าเพราะเราผิดหวังอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทําให้เราผิดหวังแล้วเงินเราเราก็เลยเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปอยากได้อะไรมันก็จะไม่ทําให้เราผิดหวังให้มองว่ทุกอย่างเปนะ็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแไปมันมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอนะ่ะช้าหรือเร็วท่าไใหม่ๆมันอาจจะให้ความสงบกับเรา แต่ต่อไปเดี๋ยวมันจากเราไปหรือมันเปลี่ยนไปไม่หมดไปมันก็จะทําให้เราทุกขขึ้นมาครับมันจะมันจะดึงภาพเก่าๆขึ้นมาอาจารย์มันดึงภาพเก่าๆที่เราเศร้าๆมารวมๆกันแต่พอถ้าเรานั่งสมาธิพอถึงจิตรวมแล้วมันจะมันจะไม่มีอะไรเลยครับมันจะไม่ดึงอะไรเ่อไปเวลามันจะดึงเราก็ใช้ปัญญาหมอสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไปหามันทํำไมครับอความสุขมันก็ตีเป็นเศร้านะอาจารย์เวลาไปเที่ยว มันมันมีความสุขชั่วคราวไงเป็นนินนนจังทุกขรั้งนัตตายอย่างที่บอกครับอาจารย์ความสุขต่างๆในโรกนี้มันให้ความสุขเราได้แค่ชั่วครา้ชั่วขาวไม่ได้ให้เราได้ตลอดเวลาเวลาที่มันมันไม่ให้เราเนี่ยเวล า, าเราจะรู้สึกเศร้ากันมาทันดีกลับมาอยู่ที่เดิมใช่ครับงั้อย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆให้หาความสุขจากการเข้าสมาธิใช่ครั บ, อ, อ, บ, รบอันนี้อันนี้แบบ ดีมากเลยครับอาจารย์ซึ่งเขาเข้าเป็นนะครับครั้งนี้ดีดีใจด้วยที่สามารถเข้าสมาธิได้เพราะเราก็พยายามตอบคำถามที่บ่อยรักษาอาการเสืมเศร้าไงแล้วก็ต้องเจริญสตินั่งสมาธิแต่ไม่มีใครมาเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วได้ประโยชน์ถ้าจิตรวมแล้วเนี่ยมันหายหายไปเลยครับอาจารย์ถ้าจิตว่างจิตว่างสงบเย็นสบาย ค, บความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ใช่ครับอาจารย์นี่ก็ว่างก็เข้าสมาธิวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงครับอาจารย์ทําได้บ่อยๆ ย, ย, ยิ่งดีครับอถ้าไม่อยากจะใช้สมาธิต่อไปก็ฝึกใช้ปัญญาอย่าไปอยากได้อะไรทิ่งที่เราที่ว่าให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขแบบชัว่วคราวอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนะมีอะไรอยากจะถามไหม ก็เดี๋ยวมีแฟนผมเขาจะถามอาจารย์อ่าเชิญมาสักการค่ะม า, มาเลยคือ <c ười> <c ười> ก็เหมือนจะถามเรื่องการทําสมาธิอะค่ะว่าพอล อ, องนั่งทําอะค่ะก็แต่ปกติคือจะไม่ถนัดพุทโธจะเป็นตั้งว่าอารหังค่ะเป็นสมาลาหังแล้วก็อารหังแล้วก็ตั้งไปที่ท้องก็เหมือนแรกๆมันก็จะฟุ้งๆก่อน ปุ้งๆเศกสักพักบางทีมันก็จะตัวยกๆบ้างบางทีก็จะรู้สึกตัวหนักๆบ้างบางทีก็จะปวดๆบางส่วนบ้างแล้วสักพักหนึงมันก็จะนิ่ง แ, แล้วแล้ก็ไม่นานมันก็จะถอยออกมาปุ้งใหม่แล้วก็เป็นใหม่อย่างเงี้ยภายในครึ่งชั่วโมงเป็นประมาณสักสามสี่รอบคะที่ถูกหรือผิดคะย้อนฉันนั่งว่าสติเราขึ้นๆลงๆเนี่นนนยเวลาที่เรามีสติมันก็สงบ พอเราไม่มีสติมันก็มันก็มันก็กลับมาเป็นแบบเดิมให้พยายามพยายามรักษาสติให้มันมั่นคงให้มันต่อเนื่องถ้าจะอลาหังกลหังไปแล้วอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอ๋ออยู่กับคำาลาหังอย่างเดียวอยู่กับท้องเเราอย่างเดียวอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่ามันลืมไปท่าท่าอ่าใช่เรสติไปอลาหังนี่เป็นตัวที่ตั้งสติของเรา ว่เราเผลอเราไปดูอาการต่างๆมันก็เลยท่าเตะก็เลยหายไปมันก็ยิ่งทําให้เกิดอาการต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกพอเรากลับมาหาอาหารมันก็มันก็สงบกลับมากลัมาสงบใหม่โอค่ะงั้นเราก็ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะอยู่ได้น่ะใช่ไหมคะก็ลองถามแฟนอยู่ทาไมของเขารวมได้ก็ก็สง บ, บได้ขเขาใช้อะไรใช้ใช้ถึกครับถึกถึกใช่เลยนะ ใช้ตอ น, นแรกก็ใช้เสียงพระอาจารย์เนี่ยครับแล้วก็แล้วก็นั่นงฟังไปมันก็กค่อยๆรวงเข้าไปครับอาจารย์เน้นต้องมีอะไรดึงใจไว้ผูกใจไว้อย่าไปตามรู้เรื่อง อ, งนนอื่นนะเวลานัองอ่งสมาธิเอาสติกัฟังที่เสียงพระอาจารย์อย่างเดียวครับอย่างนั้นก็ได้ใช้เสียงทำเป็นเป็นอารมณ์ก็ได้คนบางคนนั่งสมาธิเฉยๆนั่งไม่ได้นานแต่พอนั่งฟังธรรมนี่นั่งได้ทั้งชั่วโมงเลยเพรา ะ, ะมีอะไรยึด ยึดเหนียวจิตใจแม่ใจลอยไปกับความคิดต่างๆเหมือนกันค่ะถ้าถ้าเปิดพระอาจารย์ก็ก็จะยาวแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ก็จะหลุดออกมาก่อนก็จะนั่งสมาหลังง่ายอยู่กับสมาหลังอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรอย่างอื่นค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะถ้าเป็นโสดาบันนี่ซึมเศร้าจะหายไหมครับอาจารย์ ตออ้แต่สมาธิก็หายแล้วเนะอืยถ้าเป็นโสด า, ม, ามันก็ไม่มีร่าอาการซ้ำซากต่างๆมันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราสามารถคุมมันได้ด้วยด้วยปัญญาครับขอบคุณครับยันครับพยายามยึดยึดยึดสติยึดกับยึดสติยึดกับสมาธิไว้ก่อนนะพอเรามีกำลังที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ก็พิจารณาตายรักนั่นเองร่างกายก็เป็นตายรัก ไม่ยึดไม่ติดไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่มีความเสียใจไม่มีความผิดหวังค่ะถ้าอาจารย์ครับคือบางครั้งใช้วิธีเหมือนพยายามรู้ตัวในในในอิริยาบถต่างๆค่ะถ้าช่วงไหนที่ทําได้บ่อยๆอยมันเคยเคยเกิดมาประมาณครั้งสองครั้งแต่แ ต, แต่หลายปีนะครั้งหนึ่งคือมันรู้สึกว่ามันเหมือน มันเหมือนมันเห็นว่าร่างกายมันอัตโนมัติอะค่ะมันมันกังวลอะไรมันคิดอะไรมันตอบโต้มันทำทุกอย่างเองแต่เราเราเห็นด้วยความนิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนเราเป็นแค่ดูอย่างเดียวอันนั้นมันคืออะไรอะค่ะแต่ประมาณสักก็เบลเบย์ครังสักแต่วรู้เฉยๆไมันเป็นสภางแต่ไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นสภาพของสมาธิอย่างอ๋อคือวางเฉยใจว่างเฉยนิ่งเฉย เองใช่ไหมคะไม่รับชังโกรงใช่ใช่ใช่อย่างนั้นอ่ะไม่ว่าอุเบกขาเลวลานั่งสมาธิจริตนมันก็จะมีอุเบกขาขึ้นมาืเ อ, อเวลาเชิญรสติอย่างต่อเนื่องมันก็เกิดอุเบกขาได้นะในใ น, ในระดับหนึ่งอ๋อค่ะก็<ใ>จดจก็ดูดูเรียบทไปดูเรียบทของร่างกายไปก็ได้ใช่บางครั้งแบบ ล้างชามอย่อยางเงี้ยค่ะบางทีมันแว บ, บแป๊ขึ้นมาแบบอุ๊ยมันเหมือนมันมันรู้สึกว่าเออตอนนี้มือกําลังขยาบกําลังล้างนะหรือบางทีมันมันก็จะแว บ, บขึ้นมาว่าอุ้ยเมื่อกี้หลงหลงคิดอะไรไปมันก็จะหายรึ๊บออกมาเลยให้ร่างกายเป็นที่ยึเดเหนี่ยวว่าอย่าให้ใหลงไปกับเสียกับความคิดต่างๆค่ะแล้วพออยู่กับร่างกายอย่างตอนนี้นใจก็จะเบ่าจะว่างแล้ก็จะวางเฉยได้ค่ะ ขอบคุณค่ะแต่ถ้านั่งสมาธิได้ก็นั่งมันจ ะ, ม, นจะมันจะวางเฉยได้มากขึ้นด้วยนิ่งขึ้นนิ่งมากขึ้นด้วยอ๋อใช่ประมาณช่วงไม่กี่วันมานี้หนูนั่งสมาธิเยอะกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนานๆทำทีนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามีสมาธิเยอะขึ้นในในในระหว่างวันจะเดินจะอะไรมันมันรู้สึกตัวได้เยอะกว่าจริงๆค่ะนี่ทำทั้งสองอย่าง มีทำสติรู้กวามเอริยาหมดน้ําเวลาว่างก็นำสมาธิไปค่ะใช่ครับผมฟังอาจารย์มาเจ็ดปีเนี่ยพอจิตรวมแล้วฟังอะ่ะมันเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์มันเข้าไปนั่งในใจเลยใช่เพทุก อ, อย่างมันอยู่ในใจที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ในใจทั้งหมดถ้าจิตเราไม่เข้าข้างในเราจะไม่เข้าใจอ<ม>ดีแล้วทำให้า ม, ามันอยู่ในใจอยู่ข้างในอริยาาสัจสี่ก็อยู่ในใจ ทุกสมุทยัยนี่ร่องรัมมกก็อยู่ในใจแล้วคือถ้าฟังธรรมดามันจะติดอยู่ที่สมองแต่ถ้าถ้าจิตตัวปุ๊บมันจะเข้าไปข้างในครับอาจารย์มันเออใช่มันเป็นสัญญากับปัญญาไงถ้าห้างในก็เป็นปัญญาถ้าคิดมันก็เป็นเป็นสัญญาไปก็ดีอันนี้เราก็สามารถเข้าถึงตั ว, ต, วตัวธรรมะนะก็พยายามนึงน่งใจให้อยู่ข้างในให้มากที่สุดนะอย่าปล่อยให้มันไหลไปครับ ความคิต่างๆกับรูปเสียงกลินนรสต่างๆพยายามดึงให้มันเข้าข้างในอยู่เรื่อยๆให้มันใส่ของบ่อยๆครับอาจารย์โอเคนะอย่าทิ้งน่าสติกับสมาธินี่มันตัวสําคัญครับทิ้งไม่ได้ครับทิ้งเดี๋ยวซึมเศร้ากับอ่าเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราก็เกิดความอยากข right, ึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไปเราก็เสียใจเศร้าใจ พยายามโน้น้ากความอยากโน้ความอยากนี่ยเป็นตัวท well, ี่ Diese, เป็นตัวตัวเหตุ okay, นะ ka, uh, ที่สร้างความเศร้าความซึ้งเศร้าให้กับเราครับโอเคนะครับอาถึครับครับอ่ามันตายนี่ไมันตายกลัมารักษาสี่ันแล้วก็ค่ะค่ะก็รักษาทุกวันผ้าไม่เคยทิ้งอะค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะ แต่ก็ยังเป็นสติยังไม่มาปัญญาก็ยังไม่เกิดคะ่ะพระอาจารย์ล้มล้มล้มลุกคลานมาอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะรอรอวันที่ว่างรอลูกกลับมาก่อนคีดว้าถ้าลกลับมาไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะถ้าไ่รอ <c oughs> ความตายมันาจจะมาก่อนก็ได้นะ ใช่ค่ะเมื่อกี้โยมก็จะคิดพวกเหมือนกันว่ารอลูกเไยไม่รู้ว่าโยมจะตายก่อนหรือเปล่าลูกกลับมาแต่ก็ชอบหลอกเราค่ะกิเลนมันชอบหลอกเราในการเรความตายโยมก็นั่นแหละค่ะแต่ก็พยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้เมตดศีลห้าก็ไม่ให้ขาดเลยค่ะพระอาจารย์ก็ทําอยู่ศีลแปดก็ทุกวันพระก็ยังปฏิบัติอยู่ แต่ว่าเ ร, เรื่องนั่งสมาธินี่ก็ยังล้มลุกคุกคานเหมือนเหมือนพระอาจารย์บอกถ้าเราเป็นมองแล้วแบบมันมันทอ้อมันกิเลสมันอาจจะหลอกเราก็ได้พอเราพอเราเทอ้อเราเราก็โอ๊ยวางวา ง, วางแล้วก็วางนานเลยคราวนี้แล้วก็มาเริ่มกันใหม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยคะ่ะพระอาจารย์ค่ะก็ต้องพยายามตั้งจัตจิตอธิษฐานเอาวปนั่งนั่งสมาธิทุกวันน วันละสามสิบนาทีอะไรนันมีอะไรลูกใจบังคับใจไว้บ้างอย่าปล่อยไปตา ม, มาอารมณ์นั่ง น, นัน่งก็นั่งมันเหมือนกินข้าวคือบางวันเราอาจจะไม่หิวข้าวไม่อยากกินแต่เรารู้ถ้าไม่กินนั่เดี๋ยวมันจะหิวเราก็ต้องบังคับกินไปจะพยายามค่ะพระอาจารย์ มันยากมันยากตรงไหนให้ตั้งเป้าให้เดีว่วตามไปไนี้ยันนั่งสมาธิเมื่อเมื่อครั้งอาจารย์คุยกับคนจุ๊บอะโยมนี่สะดุ้งเลยนั่งนั่งแบบไหนก็ไม่รู้นั่งยังไงก็ไม่รู้นั่งไม่ร่มสัีนั่งแบบไม่มีสติมันก็ไม่สงบเลยได้พุโทโธก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้สองอย่างปนกันอยู่ลมไปก็ดูลมไปพุโทโธก็ไปก็พุโทโธไปค่ะ ยอมเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าทําไมเวลานั่งนะสติมันไปทางนูน่นไปทางนี้โอย้ยตามันไม่ทันสัทีมัลนลดตัวอ <IP S 2> นะีกทีนีะอวกันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ใช่ <c oughs> คะ่ะ <c oughs> บางทีก็โอ้ยไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอนั่งสมาธิปุ๊บโอ้โหมาเป็นพวนเล ย, เยส่วนมันไปก่อนนั่งหลับตาส่วนมันไปก่อนแทนแทนพุโทโธก็ได้แทนแทนดูลมก็ได้ใชจบทส่วนลมนไป <c oughs> เ น, นี่อยา่างบางคนก็บอกเปิดเปิดธรรมะเราฟังไปก็ได้ค่<ล>ะต้องมีต้องมีอธิษฐานต้องตั้งจิตต้องตั้งเป้ า, าวันหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงให้กับเวลานั่งสมาธิปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมจะใช้การฟังธรรมก็ได้ใช้การสวดก็ได้จะใช้การดูลมก็ได้ย่อมย่อมเสียสักจากข้อนี้ หลายรอบแล้วป้าจาันโยวนี้อยากจะแขกกะหลกตัวเองมากเลยไม่ไม่มีผ่านสติอย่างอื่นเนี่ยอดข้าวอัศจรไม่กินข้าวโยมก็ทําได้แต่พอน้าสมาธินี่โยมตั้งตั้งหลายหลายครั้งมากแล้วป้าจาย์สติ่ก็ไม่มีกําลังพอสติไม่มีกําลังพออะไรป้าจันพยายามฝึกสติระหว่างวันให้ให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายเราไปทั้งวัน เลยสลับกพุโทโธก็ได้อ่ะค่ะว่าจาย์จะฉันรับรับน้องน้อมน้อ ง, น, องน้องของสั่งสอนว่าอาจารย์ไปปฏิบัติอีกรอบหนึ่งค่ะว่าอาจารย์โอเคนะคะไปที่ท่านต่ อ, อะ น, นะคือมณิกราอ่าขอเวลาคนละสามนาทีห้านาทีนะกราบนมำสการเจ้าข้าพระอาจารย์ก็ ก็ตอนก็ฝักก่อนนะว่าคุณอาอุษาบอกว่าไม่ได้ข้าวสูงเพราะว่าน้องดิษยาเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะวันนี้แต่ว่าอาการเป็นยังไงนั้นก็ไม่ทราบพอดีช่วงบ่ายก็ถามว่าน้องเป็นไงบั่งก็คุณอาบอกว่ายังไม่ได้ออกจากห้องผ่าตัด จ, าจา้ะก็ดูไปอ่มันจะเป็นอะไรก็มันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแ่ะ เราอย่าไปคาดหวังอะไรนะครับสําหรับลูกนั้นก็พอพระอาจารย์บอกว่าให้มาใช้ปัญญาที่เจรนะิญครับก็มันก็โอเคดีขึ้นครับพ่อจารย์มันดีขึ้นตรงที่ว่าเราทุกเราเจอความทุกข์ความทุกข์นั้นเราต้องแก้ด้วยปัญญาถ้าถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราไม่มีสติเราจะ ขมความทุกนั้นให้หายไปไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองพออยู่ตรงนี้เองทุกอย่างมันก็ปลงลงไปแล้วก็มันก็ดีค่ะพระอาจารย์งปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์พยายามที่จะสาเหตุว่าเออมัน่าจากอะไรมันาเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าเป็นเพาะความอยากความอยากก็เราก็ปล่อยลงไปแล้วพพอปล่อยตัวนั้นลงไป เราก็มีความสุขขึ้นมาค่ะเข้ารย์นั่นโคดับไปตายก็สบายขึ้นมาใช่ค่ะแต่ว่าแบบนี้แนละ้วก็อาจารย์ก็คือพอพอตัวนั้นหายตัวนั้นก็โผล่ขึ้นมาตัวนั้นหายพราะนี่โผล่ขึ้นมามันวไวมากค่ะอาจารย์ก็ต้องใช้ปัญญาจาัดการมันไปช่วตัวใช้ใตายรักมันไม่มัมนโกลัตายนั่งต้องกิเลว่าเห็นตายนั่งตัวอย่างมันก็ปล่อยมันมันก็ดับ โอเคน ะ, ะคุณปุ้ยสามนาทีก็พอแล้วคุณปุ้ยมีอะไรวามันเลยงามธรัสถานครับอาจารย์วันนี้จะมาะรายงานตัวคะ่ะมารับพลังไม่มีอะไรคะ่ะยังปฏิบัติเหมือนเดิมถือสี่เธอสี่เจ็ดจุดห้ากลางวันกลางเย็นเย็นเือสี่แปดค่ะ เวลานอนก็เทวสินสองวันยี่บเจ็ดลยก็ได้เเวลาหลับนะโยมโยมนอนสมาธิไปเลยอาจารย์ <laughs> ที่โยมเอาเอาเอาพเทศอะใส่หูแล้วโยมก็นอนสมาธิไปคือโยมทำเหมือนอย่างกับที่โยคียเขาฝึกอะเหมือนกับนอนคาตมาแล้วก็นอนยนอนนอนสมาธิไปเลยอะ <laughs> แต่ปกติแล้วยมเป็นคนที่ไม่ฝวัญ น, นะพระอาจารย์ แต่มันแปลกมากคือเมื่อสองสมวันคือคือปกติโยมจะทํำสมาธิประมาณห้าชั่วโมงต่อวันใช่ไหมแต่ว่ามันมีอยู่สองวันที่ซึ่งโยมสื่นขึ้นมาและมันตื่นไม่ได้มันเหมือนมีอะไรมาทับตัวเหมือนผีอ่ะผีอะมาทับตัวแต่ว่าโยมไม่ได้บอกกับตัวเองว่าผีเพราะโยมคิดว่ามันเป็นอุปทานของจิตนะมันไม่มีอะไรจิตปรุงแต่งขึ้นมาเอง โยมก็คิดอย่างนั้นว่าจิตโยมมาปูงแต่งไปเองจริงๆมันอาจจะเป็นโรคขี้เกียจก็ได้โยมก็คิดอย่างนี้นะคะและเออโยมก็ก็คือว่าเราต้องออกไปทําเอกสารใช่ไหมคะวันจันทร์วันอังคารทีนี้ต่อให้โยมให้มันมีงานอะไรที่บิ๊ซีแต่ว่าโยมก็จะมีแบบว่าจะไม่ละจะไม่ละการถือศีลเพราะโยมเชื่อเชื่อในเวนกรรมแล้วก็เชื่อใน เชื่อในพระพุทธองค์สมเด็จพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มันมีเมื่อสองสาวันที่แล้วโยมฝันประหลาดมากเลยพระอาจารย์คือคือโยมไม่เคยฝันเป็นคนที่ไม่เคยฝันนะตั้งแต่ถือศีลมาเนี่ยคือโยมเห็นน่ะมันเป็นกรุงเทพมันเป็นสถานที่ที่มันเป็นกรุงเทพแล้วมันมีรถคันนึงแล้วมันมีระเบิดอ่ะมันมีระเบิดอ่ะพระอาจารย์แล้วมันมีแบบระเบิดใหญ่บริเวรเทอเลย ก็โยมก็ขอให้มันเป็นแค่ความฝันโยมก็กลัวว่าเดี๋ยว ม, มันจะเกิดอะไรกับโยมเพระว่าแต่ว่ามันโยมก็ ย, กยืนอ ย, อยู่ตรงนั้นอย่าไปกังวลนความฝันกับความจริงมันไม่เหมือนกันหรอกอือฮึโยมก็ว่างั้นนะคะแต่โยมเมื่อบางทีคือโยมมาติดไม่สบายอะ่ะอยู่มึนเหมือนกับว่า มันมีอะไรมาติดติดติดติดติ ด, ต ด, ตดพอแล้วก็มันทําให้ติดหัวปวดหัวโยมก็รู้สึกไม่สบายแต่โยมก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมถือศีลแล้วก็วเจริญภาวนามันก็สงบโอเคพยายามทำใจสงบแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะใช่ค่ะเพราะว่าโยมก็คิดว่างั้นนะคะโยมไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกจากการถือศีลแล้วก็โยมเป็นลูกศิษย์พอาจาย์นี่แหละค่ะโอเคดีโยมยนนะะน ค่ะโยมจะขอถวายบุญกับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทดัดฐานแข็งแรงจุกค่ะอ่าสาธุไปอยูมีความสุขมากๆ ม, มีดวงตาเห็นธรรมนะเห็นเลขเห็นอะไรตามความปรารถนาสาธุค่ะน้อมรับเจ้าค่ะสาธุอ่าคุณหมอคุณหมอสุทัาใจเลยใช่ไนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้า ค, ค่ะ ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคสบายดีนะทุกอย่างเรียบร้อยดีทั้งภายนอกทั้งภายในใช่เจ้าค่ะจิดกะสบายกายก็สบายนะใช่เจ้าค่ะโอเคดีขอบพระคุณเจ้าค่ะอะคุณมาลาใช่มาลาเพิเข้ามาขรั้งแรกเลยคุณมาลาเข้ามาครั้งแรกค่ะพระอาจารย์ชื่อมาราค่ ะ, ะมาลาอยู่ที่ไหนนะ อปกติอยู่ชิคาโกค่ะแต่ตอนนี้กลับบ้านค่ะอยู่สงขลาค่ะพระอาจารย์อยู่มานานไม่ใช่อยู่นานเลยคงไม่นานค่ะพระอาจารย์เพราะว่าสติหลุดแล้วกเอทิ้งงานมาค่ะก็เลยต้องกลับไปทำงานอ๋ออยู่ให้นามานานแล้ยังอยู่ยี่สิบปีแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นพยาบาลอยู่ค่ะก็มีมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะติดตามพระอาจารย์มานานเผอิญไปกราบพระอาจารย์ต้นที่วัด ควรจงค่ะพระอาจารย์ต้นท่านก็บอกว่าเคยอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดป่าบ้านตานะะ่าค่ะทีนี้ก็เลยบอกพระอาจารย์ต้นว่าจะมากราบพระอาจารย์ก็เลยได้เลิกค่ะวันนี้เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาเจอพระอาจารย์เป็นครั้งแรกค่ะจะพยายามฝึกสติค่ะพระอาจารย์ฝึกสตินั่งสมาธิด้วยนะจะหลับกันโอเ ค, ไ ม, คไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะเอาไว้คราวหน้าค่ ะ, ะเจอกันมารักษาศีลักษาศ นั่งสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมอ่ค่ะ <Okay. S 1> ขอบพระคุณมากนะคะพรอะอาจารย์สาธุค่ะคุณจี๊จอบนมัการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงพะอาจารย์สบายดีก็มันก็มีไม่มีอะไรค่ะตอนนี้นั่งปวดหัวอยู่ค่ะพระอาจารย์โยมก็นั่งปงมามองกายไปแบบ มันปวดมาสองวันแล้วไม่รู้ตื่นมาแล้วมันจัแ น, น, น่นแแหงแตรงนี้ปวดมาถึงหน้าเนี่ยค่ะยูก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอากาศมันแห้งหรือมันเป็นเพราะไซนัทหรือมันเป็นอะไรสักอย่างก็ช่างมันแล้วอายารย์ ย, <อ>ยูค่อยก็มีลมหนาว<ๆ>ตอนนี้ตอนนี้ลมแรงมากเลยค่ะข้างนอก<ม>สําหรับแมรีแลนด์นะคะมลมแรงแต่ฝนมันก็จะตกไม่รู้พายุมันคงเข้าจริงๆค่ะอาจารย์มันอาจจะแบบ กำลังมาของโยมมันอาจจะได้แค่ปลายๆอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่งเริ่มหรือมันมันน่าจะเพิ่งเริ่มน่ากำลังจะเข้ามายังหนาวอยู่นะตอนวันนี้ก็ห้าสิบกว่ามันก็ไม่หนาวมันก็ไม่หนาวมากค่ะใช่ค่ะมันเริ่มสปริงแล้วค่ะเห็นต้นไม้บางต้นมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรคะแบบว่บัดชายมันจะเป็นแบบเหมือนยอดยอดหน่อก็มาเพื่อนจะออกเป็นใบอะค่ะ อ่า mm hmm. มันก็เหมือนแบบพอโยมเห็นนี่ก็แบบบางทีมันก็นั่งมองว่าเออนี่นอะเนอะมันคือไตหลกักจริงๆมันก็มีร่วงแล้วมันก็มีบาดแล้วมันก็ร่วงใช่ค่ะใช่ค่ะโยมแล้วอย่างเมื่อวานนี้เพื่อนบ้านโยมก็เสียชีวิตคืออยู่ดีๆก็คือเหมือนกับโยมออกมาจากนอกบ้านอ้าวไฟร์ไฟเตอร์มาทําไมกัน ก็คนคนนี้เขาจะมาทำงานบ้านคนนั้นเขาบอกว่าอ้อ she p a s s โยมก็อ้า pass เหมือนคือ pass out หรอเป็นลมหรอบอกไม่ใช่ pass away เลยโยมก็อ้าหรอเขาแบบเห็นกันอยู่ไม่กี่วันเองอยู่ดีๆก็ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเออความตายมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆเลยเงี้ยค่ะมันก็พอเริ่มอายุเยอะขึ้นมันก็จะเห็นสิ่งแบบนี้แบบเยอะมากขึ้นนะคะตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่เคยได้คิดอะไรใช่ไหมคะพอ พอโตขึ้นก็โอเคคะ่ะก็ตอนนี้ก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนี้สมมติยอมตอนนี้ยมปวดหัวใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าโยมแค่มองว่าพุทโธเออช่างมันปวดก็รู้รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกแล้วยังค่ะพระอาจารย์ไมอย่าไปทุกข์กับมันเลยค่ะก็ไม่ทุกข์กับมันนะค ะ, ะก็ปล่อยมันถ้ากินยาแก้ได้ก็กินค่ะกินได้ก็<า>กินรักษาได้ก็รักษาไปแต่อย่าไปท<า>ุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากมันจะทุกข์ขึ้นมาทันที ค่ะค่ะใช่ค่ะโยมก็ก็กินยาค่ะบางทีก็มันนั่นคิดว่าอย่างเพื่อนโย ม, มค่ะเขาปวดหัวมากแล้วเขาก็ไม่กินยาจนกระทั่งเขาปวดแบบมันสะสมมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าต้องผ่าตัดพอผ่าตัดคราวนี้มันมันยังไม่หายอ่ะค่ะเหมือนโยมไม่แน่ใจว่ามันปวดจนนานจนระบบประสาทมันคุ้นเคยหรือเปล่าโยมก็เลยเอางั้นถ้าเราปวดเราก็กินถ้าหายก็หายถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรก็ไปหาหมอ ก็อยา ก, ปการกปวดมาจะแสดงถึงความบกพร่องบางส่วนของร่างกายก็ต้องไปตรวจจริค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันเหมือนมันโยมกลัวบ้างเพื่อนโยมเป็นแบบต้นกระดูกต้นคอมันเป็นเส้นเลือดตีบ่ะค่ะเหมือนอเราอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้แล้วนั่งนานๆอะไรเงี้ยก็เลยนัดคุณหมอแล้วค่ะพระอาจารย์วันจันนี้ว่าจะไปอยู่ค่ะอาจารย์ก็ไม่ทุกพระอาจารย์พาดกานแข็งแรงนะเจ้าค่ะโยมกับขอบคุณในธรรมของพระอาจารย์ตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะสาธุค่ะ หวังว่าเขาไม่เป็นอะไรมากนะสาธุค่ะค่ะคงไม่เป็นไรก็เมื่อวานนี้แม่โทรมาก็ร้องไห้แบบเหมือนยมเผลอไปกดแล้วแบบเหมือนแบบอุ้ยตอนปีห้าของเขาแล้วยมก็แบบไม่ได้โทรกลับนึกว่ามันยังไม่ไปถึงเขาเขาก็ร้องไห้โทรมาหายมเมื่อคืนแบบร้องไห้อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรยมผมแม่มีสติเลโยมขอโทษไม่ได้ตั้งใจมันเผลอไปโดนอะไร <c oughs> อย่างงี้ค่ะก็เลยแบบโอ๊ยแม่ก็ตกใจกันใหญ่ทั้งป้าทั้งน้าโทรมากันใหญ่เลย อไม่มีอะไรแล้วค่ะพรอาจาไย์มิกลเวลาพรอาจารย์แล้วค้ะสัาธุนะคะคอ ะ, อะคุณท้าเจนมันทำมันทำได้ยินไหมไมันไหนในไหมมันทำน้องกลับนะพระอาจารย์ครับผมได้นครับอยู่เขาชีโอนครับผมอ่ามมีอะไรไหมยังไม่มีครับผม ออกไปก่อนนะครับผมโอเคก็กราบขอพระคุณพรอาจารย์ครับผมคุณเซเวนทอนแม r y ่ไล n เหมือนกันนะมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ทำงานที่บ้านเนอะวันนี้หนูทำงานที่บ้านค่ะจริงๆหนูก็ไปตรวจร่างกายมาเหมือนกันค่ะมีหลายอย่างหลายอย่างอะค ก็หัวใจก็ไม่โอเคค่ะกระดูกก็ไม่โอเคไม่โอเคสักอย่างะดูก็อืมไม่เป็นไรรู้กว่ากลับมาบอกลูกว่าเออมันก็คือแค่ทาสีขันท่มันคือเขาไม่เข้าใจใช่เหมือนกับการเป็นการบทสนทนาของคนที่พยายามศึกษาสมมากับคนที่ไม่สนใจธรรมะอย่างนี้ยค่ะเขาก็บอกไม่ได้แม่แต่ไม่ได้ หนูก็บอกทําไม่หนูก็ตายไม่ได้หนูเป็นแค่ธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นแค่ดวงจิตดวงวิญญาณแล้วแม่ก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่แถวนี้นั่นแหละก็คือหนูก็รู้สึกอย่างที่พระอาจารย์ว่าแบบว่าเป็นอะไรเราเราก็ไปรักษาแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะมันไม่ใช่เราหนูก็สอนลูกอย่างนี้แล้วหนูก็คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนูจริงหนูก็คิดว่าเราก็เตรียมให้ลูกได้บ้างเพียงแต่ต้องสอนให้เขาเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติเป็นอย่างนี้ นูเหมือนนวดโยนคันหนึ่นงนั่งากายก็เหมืนอนนวดโยนคันห<ขา><ร>นึ่งหนูก็ไม่ขับรถเราก็ขับไปรถเสียก้าวเข้าซ่อ<ขา>มอะไร ก, ก, ก, ก, ก็ทิ้งไป<ขา>แต่พระอาจารย์คะตอนแรกๆที่หนูปฏิบัติทำอ่ะค่ะหนูใช้เอาบางทีก็ใช้เสียงธรรมของพระอาจารย์แต่หลังๆนี้หนูไม่สามารถใช้เสียงอะไรได้เลยอะค่ะ<ข>ค<า>ือถ้ามันมีเสียง<ขา>มันดื้อไปจริงนะแม่จําเป็นจะต้องใช้มันนะ่หนูทําไม่ได้ด้วยซ้ำคือ ถึงแม้จะพยายามจะฟังธรรมะฟังได้ห้านาทีเหมือนเราเอาจิตไปจับที่มันมันสับสนนะคะก็ดูลมดูลมได้ป่ะค่ะหนูก็ก็ก็เดี๋ยวคือทุกวันนี้ก็คือดูลมอย่างเดียวอ่าดูลมแสดงว่าจิตเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เสียงนะเสียงมันหยาบกว่าเสียงมันหยาบกว่าลมลมมันละเอียดกว่าอ๋อค่ะค่ะก็ดูลมได้ก็ดีไม่ต้องฟังเสียง ใช่ค่ะตอนนี้ดูลมอย่างเดียวแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ถ้าเป็นระหว่างวันก็พุทธโธพุทโธถ้านั่งก็ดูลมกิจยาบทอื่นก็ดูพุทโธหรือว่าดูกายอย่างเนี้ยค่ะค่ะโ อ, คโอเคค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์มากๆากนะคะขอเจ้าคุณเจ้าเป็นยังไงหายไปไหมา ป็ะมาส ก, การค่ะค่ะอาจา์เพิ่งกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองค่ะหนูไปเลี้ยงหมาให้เพื่อนแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตื่นไว่ไหวค่ะพะจา์คือถ้าหนูจะเข้ามาซูมต้องตื่นประมาณตีสี่ห้าสิบเนี่ยค่ะแล้วก็ล็อกอินเข้ามาตอนตีห้าก็เลยแบบงงแง่อาทิตย์ที่แล้วทีนี้หนูก็ฟังไปฟังเทปอะค่ะแล้วมีโยมท่านหนึ่ง ที่ก็ไม่ได้เข้ามาเหมือนกันเหมือนหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเหมือนคุยคุยแล้วหนูก็เอะใจขึ้นมาว่าอทําไมมีแต่พวกเราเนาะที่มามั่งไม่มามั่งกับพระอาจาร์ ม, มาตลอดแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมพระอาจารย์ยังไม่เห็นเคยเลาป่วยแล้วทําไมเราเราป่วยอะไรอ่าเงยอาทิตย์เนี่ยเมื่อเช้าหนูก็เลยแบบไม่ได้ง่วงแค่ไหนก็ต้องตื่นก็เลยน <laughs> คะคะอ้าวอาทิตย์วันนี้มีอะไรไหม อพอดีอาทิตย์ที่แล้วมีคนที่รู้จักที่เนี่ยค่ะเขาเสียชีวิตแบบกระทันหันนะค ะ, ะกําลังเดินไปทํางานอยู่แล้วก็หัวใจวายอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสได้ไปงานศพแล้วก็พอดีภรรยาของพี่เขาอยากที่จะอะเหมือนดูศพก่อนที่จะเผาอะไรอย่างนี้ค่ะพอดีที่นี่เขามีบริการเหมือนแบบสามารถที่จะดูศพได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้เข็นเข้าไปในเตาเผาเลยะค่ะพรอาจารย์ให้กดปุ่ม แล้วก็หนูก็ไปก็ไปดูเอ่อไปร่วมแสดงความเสียใจไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามพิจารณาในด้านของอสุภะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปถึงความเป็นอสุภะอะ น, นะค่ะสําหรับหนูคื อ, อสิ่งที่หนูได้มากลายเป็นเหมือนเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าไม่รู้เราจะโกรธเกลียดทะเลาะเบาะแหวงกันไปทําไมพอดูสุดท้ายสุดท้ายเราก็จากกันไปอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เออก็ได้มา อ่าเหมือนได้ความสงบใจเหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆอุเบกขาอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้อสุพะมันไม่ได้มันไม่ได้ดูอสุพะมันดูนิจจ์ดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนค่ะดูความเป็นธาตุสดินน้ํำลมไฟของร่างกายอืมเอาไปมันก็กลายเป็นดินไปเมลือแต่ดินค่ะไม่มีตัวตนได้ดูแบบนี้ถ้า ด, ดูคนตายนอกจากว่าถ้าเป็นดูศพที่มันเน่าเปื่อยเน่อะไรอย่างนี้ถึงจะดูอสุพะ อ๋อโอเคค่ะเพราะหนูก็ได้โอกาสจับมือพี่เขาแล้วก็หนูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบคล้ายๆประมาณเนื้อสัตว์แช่แข็งอย่างนั้นนะคะเยน็ยนเย็นไม่ได้ ม, <S <S ไ ม, ไดมีไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งอะไรนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนพอดีพี่เขาไปสงบเขาก็ดูเหมือนคนนอนหลับเลยค่ะไม่ไม่ได้ดูแบบเน่าอะไรแล้วก็สียังมีสีเลือดอยู่ที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบางจุดที่ อย่างเล็บอย่างเงี้ยก็ม่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปา<ะ>กสิ่งที่เราคิดก็คือต่อไปเราก็อาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้ค่ะออันนี้ก็สําคัญต้องน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเราต่อไปเราก็อาจจะเราก็จะต้องเป็นเหมือนเขาไม่ใช่อา่านเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นค่ะก็หนูก็คิดอ่อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาหนูก็ตัดสินใจอ่ อันนี้อันนี้คือยังไม่ถือเป็นคำมั่นสัญญานะคะหนูไม่อยากผิดสัจจะแต่ว่าคิดในความประมาทนิดนึงก็คือหนูตั้งใจว่าพออีกประมาณสิบปีหนูจะบวชค่ะไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็อ่าหนูก็โวจะิืมแ้ก่อนั้งสิบปีมันนานนิดหนึ่ง <laughs> คือมันานค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูนะคะคือตอนที่หนูไปอยู่เขาชีโอนนะ่ะหนูรู้สึกได้เลยว่า มันยังไม่พร้อมหนูยังตั้งหนูยังไม่มีสติพอคือถ้าเข้าถ้าทําอะไรตอนนี้ในลักษณะบวชมันจะเสียเข้าสุกเปล่าคือเราไปนั่งกินข้าวคนอื่นเขาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หนูก็ยังค่ะเราคึกว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูจะย้ายรัดประมาณสิ้นเดือนเนี่ยค่ะจะไม่อยู่ฮอร์เรนแล็อ <c oughs> จะย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่เท็กซัสตั้งที่ตั้งใจไว้นะคะคือจะอยู่เขาห้าปีเสร็จแล้วหนูจะกลับไทยแล้วก็อยู่กับพี่สาวห้าปีแล้วก็ ตอนช่วงอยู่กับไทยเนะี่ย5ปีเนะียก็หวังว่าจะเข้มข้นขึ้นก็คือจะเริ่มถือศีล8จะเริ่มแบบปฏิบัติตอะไราเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมแล้วกไ็ไปอยู่ยวัดบ่อยๆไปบนบ่อยๆ่ทีนี้ไม่น่าจะว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง <laughs> 10ปีไลย น, นะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีตั้งเตาไว้ก็ดีค่ะแต่หนูนว่ามองว่า คือคนบางคนเขาก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกกันทั้งๆที่ก็ไม่ได้พร้อมแต่เขาก็ยังไปกันได้ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้พร้อมหนูก็เลยกลับมามองว่าถ้าหนูอยากจะมาคือถ้าหนูอยากจะมาทางเนี้ยหนูก็ไม่จําเป็นต้องรอเขาว่าพร้อมหรอกมันคงไม่มีคาว่าพร้อมมันน่าจะต้องเป็นตัดสินใจมากกว่าว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย แต่ก็ก็ดีค่ะคือพอนึดถึงเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็อย่างที่บอกพรอาจารย์ก็คือมันนานไปนิดนึงสิบปีไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อย่างน้อยก็ดีว่า ร, ร, รู้ทิศทางที่ต้องต้องไปแนละ้วว่าก่อนนี้อาจจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปจบอย่างไรใช่ค่ะอันนี้เรารูแล้วอาจจะไปไปเปน็นท่านบวชแล้วต่อไปค่ะก็ดีก็เริ่มต้นที่ความคิดกันนะแล้วก็ค่อยๆดูไป ว่ามันจะเป็นความจริงได้หรือไม่ต่อไปค<ฆ>่าอยากให้มันความจริงต้องปฏิบัติให้มากเพิ่ปฏิบัติให้บ่อยๆขึ้นแล้ว ม, มันอาจจะเร็วกว่าสิบปีก็ได้ถ้าปฏิบัติ ด, ดีได้ผลด<ฆ>ีมันอาจจะไม่อยากจะอยู่แบบนี้นละมันอยากจะไม่อยู่แบบนักบวดก็ได้อืมค่ะพระอาจารย์คะหนูขอถามคำถา ม, ถามนึงค่ะเรื่องอ่า นิวรณ์ห้าค่ะผ่าจาย์นิวรณ์ห้ามันถือเป็นกิเลสหรือว่ามันถือเป็นสังขารที่เราปรุงให้ให้มีสภาพจิตต่างๆนะคะมันเป็นอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทําจิตให้ใช่ไเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเราจะคิดหรือไม่คิดแต่ว่าเหมือนมันเป็นมันก็มาจากความคิดทั้งนั้นการบานชันท่าก็คิดถึงรูปเสียงกลิ่นแล้วก็อยากจะไปเที่ยวไปกินไปเดิมค่ะเวลาโกรธใครก็คิดอยู่ ใครก็ทําให้เราโกรธแล้วก็โกรธความโกรธก็เกิดจากความคิดของเราไม่พอใจเขาทำไม่ดีกับเราเราก็เลยโกรธเขาขึ้นมาอือแต่พอนวันที่เบาบางลงก็คือหมายความว่าพอเวลาที่เราคิดในเรื่องเดียวกันเนี้ยแต่ความคิดเนี้ยมันไม่หลีดไปสู่ความทุกข์ใจความเดือดความหลงอะไรแบบนี้ถูกไหมคะแต่ความคิด ม, มันทําให้ใจเราเป็นปกติถ้าไม่มีวนันอย่างตอนที่เราไม่มีวนันใช่ไหม นั่งสมาธิได้แต่ถ้าเราโกรธใครขึ้นมานีนั่งไม่ได้ความโกรธมันจะมารอบกวนมาขัดขวางการนั่งสมาธิของเราแต่ว่ามันจะโผลมาดับไปแบบเอ่อานบางทีมันมีมันมีเหตุปัจจัยทําให้มันโผล่ขึ้นมาอย่างบางทีเราไปทะเลาะอใครขึ้นมาอย่างนี้พอกลับมาบ้านจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นะไอ้เรื่องที่ทําให้เราโกรธมันยังอยู่ในใจเราอยู่อือแล้วก็ถ้าจะให้มันดับไป องอใชเมตตาให้ อ, หอภยอัภยเขาอยาก<ะ>ไม่เจอเท่าน้ก่อนเคพื่อมผ่านไปแล้วนี่ยก็ผ่านไปนแล้วจะมาโกยกันก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่อย่างไดอ๋อแต่อันนี้ก็เป็นขั้นของปัญญาแล้วใช่ไหมคะว่าปัญญาเมตตาด้วยใช้ความเมตตากับปัญญามาคือให้ต้องให้อภัยเขาถ้าให้อภัยก็ได้แล้วมันก็จบใช่ไหมทีนี้บางทีปัญญาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ เหมือนเหมือนมีปัญญาในเป็นเรื่องเลื่องไปอะคะ่ะแต่ว่าอเขาว่าเป็นเรื่องเลื่องไปคืออย่างแบบในกรณีของหนูอย่างเงี้ยที่หนูเคยไม่คุยกับเพื่อนคนหนึง่งแล้วก็งานศพเนี้ยทําให้หนูตัดสินใจกลับมาคุยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเอออย่างที่บอกคือไม่รู้จะต้องโกรธแค้นกันไปทําไมแล้วคือแล้วใจหนูก็เย็นลงตรงเนี้ยหนูมีข่าวเชว่ามันเป็นปัญญาแต่มันก็เป็นปัญญาแค่เรื่องเนี้ยแค่เรื่องของการที่เราไม่คุยกับเพื่อนคนเนี้ยแต่ว่าในโดยรวมแล้วอ่ะมันยังมี อะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่เราที่มันยังจัดอยู่ในหมวดเนี้ยค่ะหมวดความแบบความไม่พอใจแล้วก็เกิดไปสู่การบอกความบอกแววนอะไรนะคะคือมันไม่ดับถาวรถูกไหมคะทุกๆอย่างมันก็จะต้องแบบเราวแต่เหตุการณ์ของชีวิตอย่างนี้ถูกไหมคะก็ดูไปดูไปบางทมันมั น, ม, นมันเหมือนกันมันก็มันก็ยังไม่โกรธกันนะถ้ามันโกรธอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นสาเหตุอย่างอืง่นก็ต้องวิเคราะห์ไปว่าเพราะอะไรโอเคค่ะ พระโสดาบันยังมีนิวรห้าไหมคะผู้อาารย์คือสดาบันนี่ไม่มีนะเพราะเข้าสมาธิได้นะเข้าสมาธิเข้าขั้นปัญญาได้นะแต่ยังมีสังโยชน์ที่คล้ายๆกับนิวร อ, อยอือโอเคที่เป็นที่เป็นเหมือนข้อการมมาลาคาอะไรอการมาลาคา<อ>สักายะทิฏฐิวิจิเกชยัยพวกนี้โอเคเข้าใจแล้วคะ่ะ เท่านี้แล้วครับพระอาจารย์สาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะ yeah, uh, คุณเตียทีคุณตีได้ยินไหมเชิญปิดใหได้ไหมเปิดใหม่พูดได้เลยคุณได้นะแล้วรดการครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่สมุทรปราการครับมีอ่ไหนไหม มีคำถามนิดนึงครับที่ผ่านๆมาเนี่ยผมจะภาวนาด้วยคําว่าพุโทโธใช่ไหมครับก็จะรู้สึกว่าจิตนิ่งได้ดีแล้วก็รู้ทั้งคําภาวนาแล้วก็ลมหายใจแต่พอหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้คำภาวนาเป็นไใจสำนัคมนะครับผมกลับรู้สึกว่าการภาวนาด้วยใจสนาคมเนี่ยมันมั น, ม, นมันทําสมาธิได้ยาวขึ้นแต่ว่าลมหายใจไม่มี่ครับก็เลยอยากจะถามว่าผมควรจะใช้คําภาวนาแบบไหนครับ อ๋อคือเวลาใช้คำภาวนานี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ลมก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่จะดูลมโดยที่ไม่ไม่มีคำภาวนาก็ได้หรือจะภาวนาโดยไม่ดูลมก็ได้หรือจะใช้สองอย่างก็ได้แนละ้วแต่ความถนัดของเราอ๋อครับโอเคครับถ้าถ้าภาวนาไปแล้วไม่มีลมก็ไม่ต้องไปสนใจที่งมไปเลยอยู่กับข้ภ า, าวนาอย่างเดียวไป คือได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะเขาเข้าใจว่าอานาปานสติคืออยู่ที่เจริญสมาธิกับลมหายใจใช่ถ้าดูลมก็ต้องดูลมอย่างเดียวลมหายใจก็ยังต้องดูที่จุดเดิำอยู่ดยที่ปลายจมูกครับคอยากสอบถามนิดหนึ่งครับวันที่สิบหกสิบ็สิบแปดนะครับมีโอกาสได้ไปแถาชนบุรีอะครับอยากพาลูกชายไปกราฟิกการไม่ทราว่าพร้อมมีโอกาสได้เจอมั้ยครับเันวันอะไรบ้างลนะสิบหกสิบแปดอาทิตย์จัทร์อังคารครับ คือถ้าเป็นวันที่ก็มาที่กุฏิเราตอนบ่ายสองโมงขรงเทศแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ต้องมาเจอเราที่สาราฉันประมาณเก้าโมงเช้า โ, โอเคครับได้ครับโอเคครับผมได้ขอบคุณครับสาธคุณที่ปูเ่เป้คปูเป้ก่อนสุดท้ายนะสนบหน่อยปูแเป้มีอะไรไหม เปิใบ ไ, ได้ไห ม, ไมปิดใบได้ป่อดใบ ไ, ได้ค่ะกับนมัมการค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะอได้ยินจ้ะมีอะไรไหมอ๋อไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็ลุยปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เพีย ง, งแต่ค่ะ<ช>พระอาจารย์เพียงแต่ว่าหนูแค่ดีใจตรงที่ว่าปกติหนูเป็นพยาบาลประเมินความปวดอะค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเพลงสกอร์ทีนี้หนูมาได้สัมผัสตัวเองพอพอฟังธรรมจากพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะ แล้วตัวเองป่วยด้วยเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยากรู้ว่าความปวดและ้ะตอนที่ผ่าสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์ว่าจะปวดร่างกายขนาดไหนนะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนผ่าสมองปวดเดยอะเนี่ยแหละคะ่ะพอหนูมาเจอแล้วฟังธรรมและปฏิบัติทางวิจารย์ความปวดน้อยมากเลยคะ่ะเพียงสกอน้อยค่ะพระอาจารย์ก็เลยดีใจตรงนี้อะค่ะพระอาจารย์ดีที่ได้เจข้าส่วนนี้รักษาได้ทั้ง ความปวดทั้งใจความปวดของกายด้วยนะใช่เลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูว่าโอ้มันใช้ยากินที่ดียาใจแบบดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เลยแบบได้สัมผัส ด, ด้วยตัวเองอ่ะคะ่ะจับเป็นคนที่แบบประเมินความปวดของผู้ป่วยอะคะ่ะพระอาจารย์ระดับคะแนนความปวดเพนสกอร์ค่ะ<ม>ก็เลยได้ของดีแล้วหนูมาประเมินตัวเองนี่แหละคะ่ะปวดน้อยมากเลยค่ะพระอาจารย์ถึงร่างกายผูบผอบทำให้รสนิยมดีกว่ายาแก้ปวด าการแก้ปวดยังมีผลข้างเคียงได้ใช้ค่ะพระอาจารย์อุ่นว่ายาใจปัญญาระดับจั ก, กรวาลจริงๆค่ะพระอาจารย์ซ <Okay. S 2> ึ่งต้องรู้ค่ะค่ะอาจารย์ใช้ใช่ตอไปนะแล้วค่ะพระอาจารย์สาธุ okay. ยันคุณหต้ตามีคําถามไหมนะกราบนมัส ก, การคพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติเจา้าค่ะคําถามแรกกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําการกําหนดดูกระดูกที่เป็นสมถะและวิปัสนาครับกราบขอบพระคุณครับก็ดูโครงกระดูกนี่ยถ้ายังไม่เห็นโครงกระดูกเราก็ไปดูภาพโครงกระดูกกันอ่าแล้วเวลาเราเห็นใครเราก็นึกถึงโครงกระดูกที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวผิวหนังของเขาทุกคนมีโครงกระดูกอย่างนั้นนะอ่าบาเราก็จะเห็นว่ามีแต่โครงกระดูก ไปไหนก็เจอแต่โครงกระดูกเต็มไปหมดแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะเราเร า, เราไม่มองแต่ผิวน้ำก็เลยมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใต้ผิวนังเราต้องคายนึกถึงข้อภาพโครงกระดูกไปเรื่อยๆก่อนนึกอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันก็จะทำให้เป็นสมาธิได้ใช้โครงกระดูกเป็นอารมณ์แทนลมหายใจแทนพุทโธก็ได้แต่ถ้าสมาธิก็นึกถึงภาพโครงกระดูก แล้วต่อไปเวลาได้สมาธิแล้วเวลาออกมาเวลาเห็นน่างกายของใครก็มองให้เห็นโครงกระดูกของเขามันก็จะเป็นปัญญา ข, ขาึ้นมาว่านั่งกายนี้มันไม่มีมันไม่มีความสวยงามะไรเลยมีโครงกระดูกแล้วมีอาการต่างๆอนี่ก็คือเป็นปัญญาคำถามสุดท้ายจากคุณแพรหนูอยากสอบถามค่ะว่าเวลาหลังกลับ มาจากฟังธรรมหรือไปทำบุญจะรู้สึกสงบติดความสงบที่เกิดจากการฟังธรรมมาจนถึงบ้านและทำให้สนใจอยากเข้าหาเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นและอยากที่จะเริ่มต้นปฏิบัติภาวนาค่ะแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะรถแห่งธรรมชนะรด ท, ทั้งปวงเมื่อก่อ น, นี้เราสมัมผัสกับรถสองูปเสียงดนด้ วันนี้เรามาได้สัมผัสกับนอแห่งธรรมแล้วมันประทับใจมันดีกว่ามันมีความสุขมากกว่ามันก็เลยทำให้เรามีความยินดีมีความอยากที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมและปฏิบัติเพิ่มเติมเพิ่งไปตามลําดับเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเราเริ่มมีความยินดีในธรรมแล้วเพราเราได้สัมผัสกับรอดแข่งธรรมลานที่พระเจ้าบอกนอแข่งธรรมชนะรอทั้งปวงโอเคนะสําหรับวันนี้ก็คิดว่า หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนตพิจารณาไปปฏิบัติเก็่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธิด